ที่เราฟังธรรมะข้าสูงใหญ่มันไม่ใช่ภาพพิธีตรง น, นี้ไม่ใช่ภาพพิธีมันเป็นภาพฟังธรรมะเข้าสู่ใหัยและขอเตือนว่าเราอย่าสับเซว่าฟาง พ, พ, เพอเป็นพิธีก็แล้วกันเรื่กอการฟังธรรมนี่เป็ื่องใหญมากสถาะนะธรรมของพระเจ้าอาศัยว่ า, าซึ่งช่วง อาศัยทำฟังต่อต่อฟังต่อเว็แอนดรอต่อบอกต่อสื่อจกต่อต่อและอาศัยทำนีแหละมาปรับจิมาปรับใจของเราก็ะคนเราปรสบการณใจตั้งหัตั้งใจฟังนะอย่านอนฟังได้ตังมากฟังน้อยตั้งใจฟังเทียาวเที่ช้ตั้งใจฟัง แท้ที่จริงตั้งใจฟังด้วยแล้วก็นั่งเฝานะฝังไปด้วยจะดีมากมันเป็นหัรอบขอคิดนสองชั้นฟังเฝานะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธยังไงหูเราไม่กดำดอกอหูเราต้องได้ยินแล้วมันตกจากพุทโธไปมันก็เป็นเสียงคำขยับหยากเสียงคำมันก็มาอยู่กับพุทโธ ผลรายได้เข้าสู่หัวใจของเราหัวใจดวงเดียวภารชนะเดียวสําคัญที่สุดที่เราหอหิ้วมาหอหิ้วอยู่แล้วเราก็จะหอหิ้วไปหอหิ้วบาห์หอหิ้วคุ่นเรื่องบาห์เรื่องปุ่นจะเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเรามีสําคัญที่สุทธศาสนาความคุณดียาแสดงพฤติกรรมให้พราทราบว่าพฤติกรรมยังไง เป็นบุญพฤติกรรมยังไงเป็นป่าปพฤติกรมรมอย่างไงทําให้เราได้รับความสุขความเจริญพฤติกรรมอย่างไรเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เวลาเราถวายทานที่ตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพือ่อความสุขความสุขในหัวใจพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญมีอะไรามากมายอย่างนื่นแต่ขาดความสุขบางทีสิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกต้อง ผิดศีลผิดทรรผิดกฎหมายผิดอะไรายไรสารพัดนำความผู้มาให้อันนี้พรูทีเจ่าท่านไม่ค่ามสําคัญเพราะคําสอนของพระองค์นั้นกลับได้ตามนั้นถือได้ตามนั้นประพฤติได้ตามนั้นเรามีความสุขเป็นความสุขที่ถาวรนะท่านใจก็น ะ, ะ น, <c oughs> <c oughs> นโม สัพพะว a ตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะสัพะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลนะธมมัสวนังเอตัมัมุตตมั ปูชาจาปูชนียานังเอตามังกลมุตตะมันตีนั่งฟังสบายๆนั่งฟังแบบยังไงจะสบายที่สุดตั้งสติอยู่กับจิตของเราเราอย่าคิดว่าเราฟังพอให้เสร็จๆไปพอลุ่มๆไปพอเป็นพิธีไม่ใช่การตั้งใจฟังธรรมะนั้นเป็นการตั้งใจเพืี้เป็นการศึกษา ปรับความรู้ปรับความเข้าใจคนเรามืดบมอดเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจคนเราเฉลียเฉลาเพราะเรารู้เราเข้าใจคนเราเดินถูกเพราะเรารู้เราเข้าใจเดินไม่ถูกเดินผิดทางเพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจการไม่รู้ไม่เข้าใจมันขึ้นอยู่กับการได้อยู่ได้วามการได้ศึกษาสังเกตสังเกตสังการมีความสำคัญต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างยิ่ง ใจภาวนาไปด้วยแล้วฟังไปด้วยวันนี้จะพูดถึงอานิสงส์ของการสร้างเวทีด้วยพูดถึงอานิสงส์ของตอเวดด้วยและคืนนี้มีการพูดารรมพิเศษพูดธรรพิเศษนี้ก็ถ้านทั้งหลายนั่งฟังพูดธรรพิเศษส่วนพูดธพิเศษก็นั่งภาวนาไปด้วยเกิดประโยชน์มีอานิสงส์อานิสงส์จากการที่เราต้องตัง้งกจภาวนาเนี่ะ เป็นอันมสองที่มีความสําคัญระดับชีวิตกิจใจของเราคนเราสําคัญที่ใจเรามีใจดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีใจเราก็เหมือนต้นเสาต้นหนึ่งไม่รูเรื่องเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่ ง, เ, ง, หนหนงเหมือนวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีใจใจคือผู้รู้ใจคือท่ารู้ ย้อมันที่ใจของเราเราจะรู้เรามีผู้รู้เร า, ม, เรามีท่ารู้ท่ารู้ตัวนี้ไม่มีตัวตนมีแต่กิริยาอาการทะทำให้เราทราบได้จี่เรียวนันาานามธรรมนามธรรมโดยเหตุที่พวกเรามีผู้รู้นีเองเรารู้ดีเรารู้ชั่วเรารู้สุขเรารู้ทุกเพราะฉะนั้นคนเราก็ตามศัตว์เราก็ตามเราจึงเลือกได้รักสุขเกลียดทุก ไอ้คว่ารักสุขเปลี่ยบทุกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง ก, กลางกางมันเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวที่ว่ารักสุขเปลี่ยบทุกเนี่ยมันเป็นกิริยาที่ปฏิเสธข้อเท็จจริงถ้าเราพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดลึกเข้าไปแล้วมันเป็นกิริยาที่ปฏิเสธข้อเท็จจริงเราเรารักสิ่งที่เรารักรักสุขคือเราติดสุขเรารักสุขเราติดสุขเราถึงรักสุข สิ่งใดที่เรารักสิ่งใดที่อำนวยความสะดวกอำนวยความสุขให้กับเราเราก็ยึดตาวยึดตาวยึดตาวยึดตาสําคัญมั่หมายครับ <c oughs> ในเมื่อคนบนโลกไปนี้มีคนมีความต้องการมีความสอบเสวสหาสิ่งที่เราต้องการเขาก็ต้องการเราก็ต้องการเขาก็เสแสหาสเราก็เสแสหานัน้นนั่งเข้ายึดแยกกันแกงแย่งกันชิงปีชิงเด่นกันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสัมพัมากมายจ้ามี ถเราะเรียกตามภาษาพนะุทธความโลภมันเกิดขึ้นในหัวใจพอความโลภมันเกิดขึ้นในหวใจก็สอบสวยหาความเห็นแก่ตัวมันก็ตามมาทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมของกิเลสตัณหาที่มีในหัวใจของเราเท่านั้นกิเลสมันมากับผู้รู้ของเรานะผู้รู้ของเราเราได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เราทราบไม่ได้หรอกแต่ผู้รู้เรามีมาถ่อขึ้นมาได้เพราะมีตัณหา มีตานหาปนเปื้อนมาด้วยใครเป็นคนเอาตานหามาให้เราไม่มีใครเป็นคนเอาตานหามาฉา บ, าบทาฉาบทาผู้รู้ให้เราไม่มีมันพัฒนาใหมา่คลุกคลีดีโมงมาเองไม่รู้มันตั้งกี่กับกี่การกีกุเรชาติกีอสกษรไทยกลับมาแ ล, ล้และแต่เรามารู้จักเรารู้จักชัดเกียรแค่อัตภาพเดียวนี้บางคนเรารื้ชาติได้เอออาจจะชาตินั้นชาตินั้นเราเรา้ได้ แต่ถ้าเรามียาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเรารล่ได้ย้อนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีจุที่จบเป็นกลับกับเป็นสังวรตะกัเป็นวิวัตะกัเป็นอสังขขยกลับ น, น่าแสนนานเราเอาการเปรียบเทียบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีพระพุทธคนมขอเราเนี่เป็นประเภทปัญญาที่กับสร้างบารมีโดยเฉพาะที่ออกปากและได้รับการทยากรรสีอสงังไขยแสนหมากะ คิดนึกในใจเฉยๆอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมารู้ตั้งกีเก่าแล้วก็ออกปาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมันก็เป็นอสงไขยอสงไขยรวมแล้วทั้งคิดอยากเป็นเฉยๆทั้งออกปากเฉยๆทั้งออกปากหลังจากได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งว่าโอ้ ในอนาคตที่เท่านั้นกับที่เท่านั้นดาบทุนี้จ ะ, ดจะได้ไปมเป็นพระโลมสัมมาสัพพุทธะจากนั้นมาสร้างบารมีออกปากพุทโธโหมิอนาคาเตกาเลศียสงไขยแสนหมาจับคือระยะเวลาที่นันก็นานแล้วเคือพวกเราเนี่แค่กับหนึ่งกับหนึ่งนานแสนนานเดี๋ยวนี้ ถ้าเรียกว่าพัตธกัปพัทตกัปมีพระพุทธเจ้ามาบวัดถึงห้าพระองค์นะร่วมไปแล้วพระกัคุสันโธรรพระโกนาคัมนมพระกัจโสะโภและพระโคตโมยังไม่หมดเลยหนึ่งกลับหนึ่งกลับยังไม่หมดนั่นเอยังเหลือพระศีอัน ย, กยักษ์แม่ตะโยอีกองหนึ่งที่จะตามมาในภายหลังเราดูสินี่แค่กลับหนึ่งนะเราไม่ต้อ ง, งพูดถึงแสนหมากับแล้วก็พูดถึงอสงไข่อสงไข่เพริวนาคไม่ได้ แสนแสนแต่คำว่าแสนนี่คืออย่างนับได้อันนั้นนับไม่ได้เลยไม่มีตัวเลขให้นับอันนั้นับไม่ได้ถึงสี่ครั้งบางประเภทนับไม่ได้ถึงแปดครั้งบางประเภทวิทยาที่กา น, นับไม่ได้ถึงสิบหอสงไขยแสนมหากราบอสงไขยหนึ่งอสงไขยหนึ่งโอ้ยเหลือป่าเหลือแรงเพราะฉะนั้นการตั้งใจปรารถนาเป็นสมัมมาสัมพุทธะนั้นะ บางคนปรารถนาไปได้เรื่อนหนึ่งก็ถือว่าเก่งที่สุดแล้วต้องกลับใจกลับใจเพราะเเอาแค่สาวกกรกอแล้วนั้นมามีพระพุทธเจ้าท่านมาบอกชี้ทางให้เราบรรลุกได้เราก็อีหนีไปซะเพราะการระยะเวลาเนิ่นนานแล้วเกิดกลับใจอย่างนี้ก็ได้บนอย่างที่พวกเราเคยได้นได้ฟังมาว่าลูกคเจ้าเอ่ยลูกคุณมานเอ่ยท่านล้วด้วแต่ปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธะเท่งนั้น ลูกผู้สาวนท่านปรารถนาเป็นพระปฏิจเจ้าพุทธะพระปฏิจเจ้พุทธะก็คือพระพุทธเ จ, จ้านั่นแหละแต่ว่าสัตว์เดียวเฉพาะองค์เดียวตั้งศาสนาไม่ได้บารมีไม่มากพอตั้งศาสนาไม่ได้เหมือนอย่างพระพุทธเ จ, จ้าท่านพยากรพระเทวทัตพระเทวทัตหลังจากพ้นจากอเวกีมานรกมาแล้วพระเทวทัตจะได้เป็นพระปฏิจเจ้าพุทธะนี่ลูกผสาวนะเราไม่ยิดเหมือนนะั ตนหลังมาท้านม า, า, มากราบใจมาเปลี่ยนใจเห็นความยาวไกลของวัฏสงสารน้องกูมั่นไปเช่นเดียวกันน้กูมั่นน้อตาท่านว่าถ้าจะเทียบกับสนาก็คือมุงเสรยจแล้วว่านั่นเถอะเพราะฉะนั้นบารมีของสมาสาพุททาท่านจึงมีฤทธิ์มีเด็ท่นุประจิตท่านนั่งอยู่อย่างนี้ท่านดูเห็นจิตของพระราหมดเลยไม่ว่าอยังไง ค, คิดใครคิดอย่างไรออกนอกนอ ก, นอกทางอะไรไ ร, รู้หมดเห็นหมดอันนี้คือบารมีของสมาสาพุปทา นี่ท่านไปเห็นความยาวไกลของวัฏฏะสงสารท่านก็กลับใจเหมือนกันขอเปลี่ยนเป็นสาวกพอคนทุกคนทั่วไปก็พอแล้วเมื่อก่อนนั้นเวลาเจริญกรรมฐานไปไปถึงตรงนี้จิตก็ชนะอยู่แค่นั้นพอเวลาเจริญไปถึงตรงนี้จิตข้ามไปได้ชนะอยูแค่นีนน้มันเหมือนมีอะไร ม, มาขวางอยู่มาขวางอยู่พิจารณาไปก็เห็นอย่นี้แหละก็เลยขออธิษฐานขอยกเลิกขอกลับเป็น สาบกพระทุทธะก็ธธกอแล้วจากนั้นมาเราทำความเพียรภามเรื่องตลอดทั้งหมดของสาวทั้งหมดขอมันอันนี้เราได้ยินมาอย่างนี้บางท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังเป็นอย่างนี้นี่คือการตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นสัมมาสาัทุกขะนี่เราพูดถึงระยะยาวไปว่าพวกเราไม่ใช่เพิ่งเกิดในอัตภาพนี้เราเกิดมามารู้กี่อัตภาพมาแล้วแหละแต่เราจำไม่ได้ ทำไมเราจึงจำไม่ได้เพราะกิเลสตัณหามันปิดทางเก่าเราหมดยกเว้นผู้ตั้งใจบำเพ็ญธรรมมีญาณแม้แต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็สามารถระลึกชาติย้อนหลังได้เหมือนอย่างนารทธดาบทนารัทธดาบทเนี่ยแค่เป็นดาบทนะระลึกถึงอดีตได้4ีสิบกับระลึกถึงอนาคตได้4ีสิบกับระลึกระลึกชาติได้ แปกับนารถดาบทแท้จริงนารถดาวบทก็คืออดีตไตชาติของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้แล้วถึงจะรับรูได้ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระดาวบดก็ยังมียานยังรู้ได้แต่มันไม่ใช่ยานโลกียะมันเป็นยานรู้ยานโลกีไม่ไม่ใช่เป็นยานโลกุตรัมันยังเป็นยานโลกีแต่ถ้าเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าของเราท่านได้บรรลุ ภูเผลวสาสติญาณในปฐมญาณตูปปัตยานในมัชฌิมญาณคือยามท่ามกลางของราตรีเราเลือดเห็นพบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเราเลือย้อนล้ำไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพยายามท่ามกลางเราเลือเห็นพบชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตสูงมางต่ำบ้างด้วยบุญด้วยกรรมอย่างนั้นทำอย่างนั้นมาเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเกิดอย่างนั้น เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนเหมือนกับบุคคลยืนอยู่ท่ามกลางทางสีแกร่งนี่คือยามเห็นชัดเจนที่ขนาดนั้นก็เลยเบื่อหนายอู้หน้าฝนเกิดเนาะเกิตายเกิดตายเกิดตายไม่มีจุดจไม่มีที่จบแต่พระไทยของตรงเขาหมุนอยู่บนเส้นทางของถามที่จะเรีว่าตะปะธรรมตะปะธรรมแผ่เผาพรับบารมีถึงแล้วเนี่ยบารมีถึงแล้วในนั้นในประเภทเรนของของ บรมีถึงแล้วในยามสุดท้ายของปราตรีมพระองค์ก็ได้บรรลุอาสวัคคยากิเลตทั้งหลายทั้งปวที่มันปิดบังก็ถ่ายของพระองค์เลี่ยนเปล่าหายไปหมดจดเหือดแห้งไปหมดจดจยกางกับสันดาลของพระองค์แล้วนึกย้อนมาดูก็ถ่ายของพระองค์สะอาดหมดจดบริสุทธิ์เลี่ยนเปล่าไม่เหมือนตอนไปเรียนสมบัติแปลกจากทุกอันดาบทาราดาบทนะอาจารย์บอกว่าเรียนจบหมดแล้ว ความรู้ของเราทุเรียนจบหมดแล้วปณิธานของพระโอรสที่เรอาออกมาบทนั้นออกมาบทเพื่อจะหาวิธีทางพื้นที่สมบูระคับดับความทุกข์ทุกอย่ายที่ปวดเมื่ออาจารย์บอกว่าอย่างนั้นก็เลยย้อนมาดูประไทยของพระโอรสเอ๊ะทำไมความทุกข์ยังกองเต็มแปร่อยู่ในหัวใจรู ป, ปรสมมาบาัตรู ป, ปรสมมาบัติเนี่ยหน้า บ, บททั้งสององค์นนัะ้ท่านเรียนคนอายุหกสิปีเจ็ดสิบปีกว่าจะได้พระองค์ไเรียนจบ ในายในระยาะเวลาที่สั้นพอบอกว่าเรียนจบแล้วย้อนมาดูพระไัยของค์าทาไมกองทุกอย่างกองเต็มแปรอยู่เนาะทุกห่วงใหญ่ทุกวิตกกังวลเพราะเราเป็นก ษ, ษัตริย์คิดถึง ร, ราชสมบัติคิดถึงพิมพ์พาราหุนคิดถึงพระเจ้าสุโทธทน ะ, นะพระนางประชาบดีโคตมีพระญาตพระวงค์ทั้งหลายทั้งปวงยังมีความคิดห่วงใหยความคิดห่วงใหยทั้งนี้ก็คือความทุกข์กือกองทุกยังมีสิ่งเหล่านี้ก่อปวนใจอยู่ หาความสุขนาความสงบนี้ได้เพราะฉะนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่พระองค์จีออกมาบำเพ็ญเห็นไหมบำเพ็ญก็พูดถึงในวันเพ็ญเดือนปกนั่นแหะตอนหัวข้าพระองค์จเจรณาปานสติกำหนดลมอนาปานสติอานาปานสตินี้เป็นเรื่องของวิปัสสนานะไม่ใช่เรื่องของสมถะกำหนดลมลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นตามดูลงมีความรู้สึกจับอยู่กับลงเพราะสมาธิสมาบาัติมันโปร่งทร ง, งเต็มแพร่ามาแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลวงใช้ปัญญาพิจารณาจนปฐมญาณมันร่วงไปทําให้หลวงได้บรรลุญาณญาณทัศน์รู้เห็นพวกชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตาย เห็นแจ่มแจ้มชัดเจนเลยความลึกเอารวดเร็วมากาเร็วกว่าไอ้ที่เราไปคลิกอะไรคอมพิวเตอร์แค่ๆคเร็วกว่า น, นั้นอีกความนึกคิดไปยในจิตเร็วกว่า น, นั้นอีกเราเลยย้อนหลังไปเห็นเห็นเห็นไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพยายามทั้งกลางได้ยานอีกอันหนึงจดตัวปัจจานเกิดยามทัศนะรู้ได้เห็นได้ทั้งรู้ทั้งเห็นพยายามสุดท้ายรู้ว่ากิเลส อาสวัชขยะยานอาสวัมันเสื่อมไปมันสิ้ไสนไปขยะคือการสิ้นไปอาสวัชขยะยานเห็นอาสวัทั้งหลายไปในพระไพระองค์สิ้นไปหมดจากขันธัสดาของพระโองค์เป็นการประกาศบอกว่าพระโองค์ได้เข้าถึงสัมมาสัมโพชิญาะบรรลุธรรมสัมมาสัมโพชิญาะกิเลสทั้งหลายเกลี้ยปล่ำจากพระไพระองค์ทําให้พระโอษค์ พ้นทุกขนโทษพ้นเวรพ้นไปยเนี่ยเขาจัดสมสารพอใจล้พอใจล้พอใจแ ล, พจแ ล, พจแล้พระองค์หวนั้นลื่ถึงสิ่งที่ดึงพระองค์ให้ร้างร้างพระองคไว้ในพวกในชาติพระองค์จึงอุทานอ่าอุทานเป็นพุทธภาสิตเป็นปฐมภาสิตอันนี้ก็ชาลีสร้างสรางรังสรรค์วิสังนิพิสัตริยการรัง ก, ก, กเวสังโตมาพรณาถึงความเหนียวแน่นของกิเลสตัณหาภายในพระทศไทยของตรตอนนี้เราเห็นหน้าเห็นตามันหมดแล้ว เคยก่อบ้านก่อเรือนใหเราไปเกิดที่น่นไปเกิดที่นี่เห็นหน้าเห็นตาตายมันหมดแล้วมันไม่สามารถที่มาสร้างบ้าสร้างเรือนสร้างภบสร้า ง, างชาติให้พระองค์ต้องไปเกิด อ, อีกแล้วนะี่พระองค์ได้บรรลุเต็มที่แล้วนีเราพูดถึงความตัดสิน ข, ของพระพุทธเจ้านีเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงกับความยืดยาวในการสร้างบารมีแล้วก็เรามาพูดถึงพวกเราไม่ใช่เราพวกเราเพิ่งเกิดมาในอัตภาพนี้ เราจะเห็นว่าเราสร้า ง, งสรรค์สมคุณงามความดีมาไม่เท่ากันเราบัตมาเกิดเป็นมนุษย์ เ, เราพูดถึงการได้ทารู้ของเราการได้ทารู้ของเราทารู้นี่ใครให้เรามาไม่มีใครให้เราแต่ด้วยเหตุที่ธรรมชาติเหล่านี้มันพัฒนามาได้ยังไงไม่รู้แต่มันพัฒนามาแล้วมันมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยปนเปื้อนมาด้วย เราได้ทารู้มาด้วยกับกิเลสปัญหาอาสวะปนเปื้อนมาด้วยเราพูดอย่างนี้ให้เราเราลืกย้อนหลังดูความเป็นมาของเราทุกท่านทุกคนเพราะเรามีผู้รู้คนละหนึ่งดวงเราไม่ต้องไปเรียกตามหลักพิธามหลักพิธามท่านเรียกตอนนั้นดวงเท่านี้ดวงร้อยฉะนั้นดวงร้อยเท่นี้ดวงท่านพูดออกไ้แต่ดวงดวงในที่นั้นหมายถึงกิริยาอาการของผู้รู้ผู้รู้ที่แท้จริงหนึ่ง ด, งดวงเท่านั้นนอกนั้นมีแต่กิริยาอาการเท่านั้น แต่หาความบัตรมาพร้อมกับกิเลสตัณหาผลเปื้อนมาด้วยด้วยเหตุว่าเป็นสองกับตัณหาเองท่านจึงเรียกว่ากองสังขารกองสังขารกองสังขารที่เป็นเรื่องของธาตุร mm ู้ทเรยว่านามนามสังขารด้วยเหตุที่เรานามมาสังขารนี่เองมันไปเที่ยวจับจ่อทําให้เรามีรูปสังขารรูปสังขารคืออัตภาพร่างกายของเราอัตภาพร่างกายของเราก็คือกองสังขาร ขึ้นชื่อว่ากองสังขารกองสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งที่รวมกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเขเรียกว่ากองสังขารเพราะฉะนั้นภาพในภาพรู้ของเราสองกับกิเลสตัณหาเนี่ยถือว่าเป็นกองสังขารกองสังขารรูปก็ตามกองสังขารนามก็ตามที่ไต่ก็ตามมีกองสังขารที่นั้นจะมีไตรลักษณที่จะเรียกว่าอันนี้จังทุกข์ังอนัตตาเราพูดขมวดไปถึงหลักความสําคัญ ของสัจะทําเลยทีเดียวอันนี้จาทุกขังนาตาซึ่งเป็นหลักเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดท่านให้เราพยายามศึกษาค้นกว่าให้รู้ให้เห็นด้วยหลักของสมถะด้วยหลักของวิปัสสนาเพื่อเกิดการเหยื่อการหมายการลายการจับพวกเดือเคลื่อนกลายพบชาเนี่แหละนี่พระพุทธเจ้าทร่สอนพระองค์ศึกษาพระองค์เข้าใจหมดจบโลชิ้นเชิงแล้วพระองค์ก็ไปสั่งสอนสาวกสั่งสอนสาวก็เช่นอย่าง ไปแสดงธรรมธรรมจักรกัปตนะสูตรธรรมจักรกัปตนะสูตรหลักใหญ่ใจความของธรรมจักรกัปตนะสูตรก็คือแสดงหลักของอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยมีโทษมากทุกสมุทัยมีโทษมากการพูดถึงทุกเรามาทำความเข้าใจว่าทุกก็คือกองสังขารรูปของเรากองสังขารนามของเราเรียกคือกองทุกนี่เลยคือกองทุกกองทุกทั้งนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้น ล, ยลอยๆเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตุที่เรียกว่าตันหาคือสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตทุทุกสมุทัยนี้โรคมากทุกสมุทัยนี่โรคมากคืออรยิยสัจ ส, สีพวกเราจําได้ด้วยกันทุกคนเลยแต่เราพยายามทำความเข้าใจเอาไวา้เพราะมันเกื้อกูลกับกิจจขงเรามากทีเดียวด้วยเหตุที่เราไม่รู้สิ่งเหล่านี้แหละจึงทําให้เราหมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่รู้จุดจบไม่มีที่จบ วัตตสงสารเรายืดยาวไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบถ้าใครเริ่มมารู้จักสิ่งเหล่านี้จะทําให้วัตตะสงสารเราเนี่ยสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงยิ่งเราไปเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนอย่างพระอัญญาโกฏัญญาด้วยแล้วทําให้ภูตภพชาเราย่นลงอย่างชาที่สุดไม่เกคยเจ็ดชาเพราะว่าดัดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระอัญญาโกฏัญญาคือพระสพคือดวงตาเห็นธรรม ดวงตาเห็นธรรมก็คือการเห็นธรรมเบื้อต้นคือพระโสะดาบันบุคคลนั้นเองคือพระโสะดาบันบุคคลนี่เราพูดถึงกองสังขารที่เป็นรูปกับกองสังขารที่เป็นนามกองทั้งเป็นสังขารทั้งรูปทั้งนามนี้มีไตรลักษณ์สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราทั้งหมดไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะไม่ใช่กองสังขารเลยไม่มีเป็นอะไรก็ตามที่เรามองเห็นอยู่ก็ตามที่เราไปสัมผัสด้วยกาย จะเป็นอะไรก็ตามเป็นกองสังขารทั้งนั้นในกองสังขารแต่ละกองสังขารเหล่านั้นมีอนิจจังทุกขังหน้าตาแฝงอยู่ทั้งนั้นจะเป็นสังขารที่มีใจกรองจะเป็นสังขารที่ไม่มีใจกรองมีอนิจจังทุกขังหน้าตาคำว่าทุกขังก็คือสังขารเหล่านั้นไม่เคยกองที่ไม่เคยอยู่เท่าเดิมการไม่กองที่ไม่อยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าท่รงตรัสว่าทุกขัง ทุกข์ขันในหลักอริยสัจที่สี่นะท่าทุกข์ขันทุกข์ขันมันไม่ชนบนในสภาพเดิมเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้ง อ, อนิจจังทั้งทุกข์ขันใครไปดัดแปลงไม่ได้ด้วยเหใใ ต, ตุที่ใครดัดแปลงไม่ได้เ ร, ดไดเราจึงเรียกว่าอัตตาตัวตนไม่ได้ถ้าเราดัดแปลงได้เราจึงเรียกว่าอัตตาตัวตนได้นี้เราดัดแปลงไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านบวชมามาก ม, มาย ม, า ม, ายมาหาศาลที่ทา่านบวชมาแล้ว ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่ท่านอมาดัดแปลงให้เป็นนิจจังได้เป็นสุขขังได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่านี่อนัตตาอนัตตาพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็วางพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็วางวางให้เป็นอัอนตตาเรามาพิจารณาดูว่าถ้าอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหรความถึงเมื่อถือตวงก็โผล่ขึ้นมาในชีวิตจิตใจของเรานี่แหละเรามาพิจารณาดูว่า ถ้าอัตตาอัตตามันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ความถือเนื้อถือตัวก็มีอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไร่มันก็ถูกตัณหาเคลืออแฝงมาแล้วโดยเหตุที่ตัณหาเคลื่อแฝงมาแล้วจึงทําให้เรายึดมั่นถึงมันว่าเป็นอัตตาอัตตาอันนี้คือความสําคัญมั่ น, มนหมายเอาเฉยว่าเป็นอัตตาเมื่อมีอัตตาขึ้นมามันก็มีตัวมีตนขึ้นมามันถือเนื้อถือตัวว่าเราว่าของของเรา ว่าอัตตาว่าตัวตนของเรากายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราหัวของเราเมียของเราลูกของเราซักของเรายศของเราเกียรติของเราอำนาจวาสนาของเราพลังกำลังของเราคำว่าเราคำว่าเราในีทีนี้มันไปยึดสิ่งเหล่านั้นพยายามยึดอะไรก็ผิดบาังกันนยึดอะไรก็ผิดบางกันั้นอันนี้แหละคือที่มาของความทุกข์ที่เรามีทุกวันนี้ ไม่ว่าเราไม่ว่าท่านเราประสบความทุกข์จากการที่เรายึดยึดมาแล้วก็สําคัญมั่นหมายเอาตามใจชอบตัณหามันแปลให้นึกให้คิดไปตามอํานาจของมันให้สำคัญมั่นหมายให้ตามใจเราให้ตามใจเราต้องเราต้องเราต้องเราต้องตามใจเราต้องฟังเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่บอกอะไรไม่ได้สักอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออัตภาพร่างกายยักแก่ย่าเจ็บอย่าตายบอกไม่ได้พ่อแม่เราอยาแก่ยาเจ็บยาตาย ลกของเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายร่างกายของเราอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายบอกไม่ได้การปรารถนาไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายนั้นเป็นการปรารถนาของตัณหาเพราะตัณหานี่มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันยึดอันั้นเกี่ยวข้องกับอะไรมันยึดอันนั้นตัณหาคือความอยากดูไปแล้วพิจารณาแล้วเหมือนเหมือนกับมันมีตัวตนไม่ใช่มันมีตัวตนหามันเป็นพลังความอยากในหัวใจของเราเราย้อนดูเราเห็นนะแต่ความอยากมันมีสองอย่าง อยากอย่างหนึ่งอยากทําตามอํานาจของสมุทัยคือตัณหาอยากอีกอันหนึ่งทําอยากทําตามมรรคอยากให้ทานอยากรักษาสิ่อยากปฏิบัติธรรมอยากฟังพระเวทที่จบวันหนึ่งตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์อยากได้อดไรทาอยากได้มรรคอยากได้ผลอยากได้นิพพานความอยากเกี่ยวกับบุญอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคถ้าเกิดขึ้นในหัวใจของใครให้รีบสนับสนุนให้รีบส่งเสริม เพื่อเราจะได้มีพลังของบุญเพิ่มภูนมหาศาลในหัวใจของเราถ้าหากยาด้วยอำนาจของความโลภยากด้วยอำนาจของความโกรธยากด้วยอำนาจอานาจของราคะตัณหาอิจฉาทิษยาพยาบาทท่านหลายทั้งโบรานี้มีสําหรัมสมุทัยหาแสดงกิริยาเกิดความอยากขึ้นมาในหัวใจระดับให้รีบละให้รีบเว้น ตราบใดที่เราปล่อยให้กิเลสมาางงันทำงานอยู่อย่างนี้กิเลสมันจะอ้วนก็จะพีตราบใดที่เราทําพยายามเจริญธรรมให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราทำก็จะอ้วนจะพีตราบใดที่เรามีกิเลสมากเรามีธรรมในใจเราน้อยเหมือนกับน้ําน้อยมันแพ้ไฟปกติน้นํามันจะต้องชนะไฟแต่ถ้าน้ํามันน้อยมันก็แพ้ไฟได้กิเลสมันหัวใจของเรามากมากแต่ว่าธรรมในใจของเราเน้อย ในสุดถูกิเลยิ้มแย้มเอาไปกินหมดกิเลก็คือผิดผลของตัณหานั่นเองกิเลตัณหาอาสวะอุปาทานทั้งหมดเหล่านี้คือมาจากพลังของตัณหาตัวเดียวแต่ถ้าแต่ท่านท่านเรียกไปตามกิริยาอาการของมันเช่นอย่างความโลภทำให้จิตใจเราเศร้าหมองท่านจะเรียกว่ากิเลกกิเลสทำใจให้เศร้าหมองกิเลสคือความโลภความโกรธ มันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองท่านจีเรียกว่ากิเลสกิเลสคือสภาพที่ทําใจให้เศร้าหมองความโลภความโกรธทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองความรุ่มหลงทําให้เราเกิดกิเลสตัณหาราคะเกิดขึ้นมานในใจของเราทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองไม่่อใสท่านจีเรียกว่ากิเลสกิเลสกิเลสคําว่าอาสะวะอาสะวะในในชนี้หมายความว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยผู้รู้พวกเราทั้งหลายทูก ภพชาติมันดองเราเอาไว้ดองไว้ในภพในชาติดองไว้ในภพในชาติคือเมื่ออยาเราเอาบัตในโลกม น, ลกนุษย์นี้ถือว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันดองเราเอาไว้ถ้าเราไม่ประกอบคุณงามความดีด้วยแล้วมันก็เป็นสมักพักตัวของกิเลสตานหาซะว่บางทีเราอาจจะไม่อยู่เท่าเดิมก็ได้ตายปุ๊บโอ้คุณสมบัติไม่พอที่จะมาเกิดเป็นมย์อีกแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนั้นดีไม่ดีาดตามลงไปมากกว่านั้นไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นอสุรกาย นี่อันนี้คืออำนาจของความอยากที่มันพาเราดึงไปตามอำนาจของกิเลสตัณ ห, า, หาในหัวใจของเราวิธีสงบระงับดับตัณ ห, า, หาในหัวใจของเรามีพระพุทธเจ้าท่านทรงแก้มาแล้วเพราะฉะนั้นาศาสนาธรรมของพระองค์นะอุบัติขึ้นมาเพื่อสงบระงับความทุกข์ออกจากหัวใจของเราถ้าเราเข้าใจความหมายของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านมาปลูกฝังกับพวกเราเราจะเห็นคุณค่ายิ่งใหญ่มาหาศาล ทำให้เราเห็นว่าพระศาสนาเนี่ดีเลิศประสริฐวิเศษวิโสจริงๆสามารถชะล้างขัดเกลาชักิตใจของเรากายกรรมของเราเวทีกรรมของเร า, เรามาโนโกรรมของเราให้บริสุทธิ์หมดจดบ ร, ดริสุทธิ์พุทโธพ้นทุกตนโทษในวัฏฏสงสารได้ด้วยอำนาจของพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่เองมีความสําคัญถึงขนาดนี้นี่เราพูดถึงเราพูดถึงก่อสังขาร พุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณากองสังขารนี่เราพูดถึงกองทุกกองทุกก็คือทุกรูปธรรมของเราทุกนามธรรมของเราหากไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆเกิดขึ้นมาจากตัณหาวิธีจะสงบระงับดับกองทุกขคือรูปธรรมของเรานามธรรมของเราได้ท่านจึงให้สงบระงับดับตัณหาเพราะตัณหาเป็นตัวเหตุสงบระงับได้อย่างไรสงบระงับได้จริงหรือสงบระงับได้จริงๆถ้าเราสงบระงับไม่ได้ เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายไปอุบัติในท้องแม่เราก็ไปอุบัติด้วยตัณหาที่มี เ, มเมในหัวใจของเราและรู ป, ปรธรรมที่ไปอุบัติในท้องแม่ก็คือรู ป, ปรธรรมที่เป็นดินน้ำโลภไฟของพ่อดินน้ำโลภไฟของแม่ประกอบการเจริญพันธุ์และก็ทําการเกิดปฏิสนธิอยู่ในในท้องของแม่เรามีเตบุญตกรรมไปกับผู้รู้ของเราเไปจับจองในท้องแม่เพราะเรามีตัณหา นี้นามารูปประทั น, นของเราที่ไปอุู่บ้านในท้องแม่เพราะตัณหาในใจของพ่อของแม่เรารู้สิตามข้อเท็จจริงพ่อแม่ท่านมีตัณหาและท่านทําการเจริญพันเนี่ยตัณหาในหัวใจของพ่อของแม่ทําให้เกิดรูปประทั น, นในท้องแม่ของเราโดยเหตุที่เรามีตัณหาในใจของเราเราไปจับจองในท้องแม่แต่หากไปได้ตามบุญตามกรรมนะไม่ใช่จะเลือกเอาได้ ถ้าเราเลือกได้เราไม่มาเกิดเราลูกชามาลุกยากลาบากมั่ไปเกิดลูกหนุ่มในวัวในวังตะกูลสูงหนึ่งก็จะได้มีความสุขความเจริญเลือกไม่ได้ได้ตามคุณตามกรรมใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นใครทากรรมดีละเอียดกวนี้ก็ได้คุณสมบัติดีละเอียดกวนี้ใครทํากรรมต่ำช้าเร็วซ้ำบางทีลามกจบเปรตตามสุดๆได้แค่สภาพเป็นมนุษย์เฉยๆ罢了บ่ายวิควิการเรารููเธอ บางคนก็มีสติปัญญาพอรักษาตัวได้บางคนก็เป็นอัจฉริยะบุคคลเกิดขึ้นมาเพราะเขาสะสมจะคุมงามความดีนี่คือความเป็นไปความเป็นมาของเราทีนี้ถ้าพ่อถ่าแม่ไปประกอบกันในท้องแม่นั่นคือกองสังขารกองสังขารเราเรานั่งฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้เรากยายามระลึกยอ้อนไปจากนี้ไปจนถึงในท้องแม่เพราะทุกคนต่างในท้องแม่คลอดออกมาจากท้องแม่ มาเป็นเด็กทารกมาเริ่มโตเป็นเด็กนมเด็กสาวขึ้นมาเป็นกลางคนคนเท่าคนแก่นี่ยมันเป็นมาตามภาวะอย่างนี้ไปบัตรในท้องแม่คือกองสังขารไปประกอบกันไดในท้องแม่กองสังขารตั้งแต่ไปประกอบกันไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาอย่างที่ท่านพูดเอาไว้เป็นน้ําใสๆเป็นน้ํำข้นๆเป็นน้ำน้ำเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขา มีหัวมีลำตัมว ม, มีแขนสองมี ข, มมขาสองอยู่ในท้องแม่เเดือน8ปเดือนเเดือนคลอ อ, กออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมนี่คือสังขารสังขารทุกรูปทุกนามไม่เคยอยู่เท่าเดิมทุกพลักดันมาอยู่อย่างนี้ไอ้ความไม่อยู่เท่าเดิมนั่นคือทุกข์ันเปลี่ยนไปเป็นอันิจีจอางเราพยายามพูดพันมาที่ไตร ล, ลักเพื่อพวกเราทั้งหลายเห็นเห็นว่ากองทุกข์ทั้ ง, าาง ห, หลายทั้งปวเหล่านี้กินยาอาการของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ พอคลอดออกมาจากท้องแม่ทีแรกพวเรายังช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงด้วยข้าวปั้วเบนน้ำนมนะเพราะอะไรเพราะในร่างกายเรามันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันบีบขั้นตัวมันเอะทุกระยะ ท, ท, ทุกเวลาแท้ที่จริงกองสังขารของเราก็คือเท่ากับโรงงานโรงหนะึ่งนั่นเองพราะมัเวลามาโผโรงงานโรงนี้จะต้องมีอะไรป้อนให้มันเราอยู่ในท้องแม่ดูเลือดดูเนื้อของแม่นะมีสายรบมีสายสะดือเอาไปป้อนเห็นไหมเรามีสายสะดือ ใช้ดูนี่แหละดเลือดด เ, เนื้อของแม่เอาไปเลียงนี่แหละคือวัตถุดิบที่จะเอาไปเลี้ยงของสังขารเอาไปป้อนโรงงานโรงนี้โรงงานโรงนี้ทํางานไม่เคยหยุดเลยทั้งวันทั้งคืนเจริญเติบโตขึ้นมาตามภาวะผู้รู้ของเราอย่าคุยกันอย่านั่งคุยกันอย่านั่งคุยกันทําลายบรรยากาศของผู้ที่เขาตั้งใจฟังอย่านั่งคุยกันไปคุยกันไกลๆไปคุยกันไกลๆ ผู้คนที่ท่านตั้งใจฟังมีอยู่นจะเสียบรรยากาศเนี่ยแม้แต่ผู้พูดก็ถูกแล้วก็ได้ยินเสียงรบกวนนี้มันจะไปไม่รอดแล้วอย่ามีเสียงอย่ามีเสียงมีธุระไปคุยกันไกลๆหลับตาพูดเองหลับตาพูดตามข้างไหนเอะอืงกองสังขารไม่เคยถ้าเดินเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็มนแอร์ของเราโตก็มาเรื่ยโตก็ถ้าหากเจอในวัยที่ควรเจอ เติมลงในวัยที่เสื่อม50ปี60ปีจะเริ่มเสื่อมลงแล้วบางคนห0ปี70็ดสิบปีไปเสื่อมแล้วอ่าจิตใจก็เริ่มเสื่อมแล้วบางคนอัลไซเมอร์กินแล้วลืมนู้นลืมนี้หลงหน้าลงหลังแล้วร่านกายเริ่มซุดลงไปแล้วผมก็เริ่มงอกนั่งก็เริ่มเหยียวย่นย่อนยานความหลงหงๆรื้อรังก็มาเกาะแล้วทุกอย่างมันไม่เคยหยุดเมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปท่านพี่เจรณญเห็นสิ่งเหล่านี้เลย นี่แหละคือโทษของกองสังขารเราอยากดับทุกข์คือรูปธรรมนามธรรมเราต้องมาดับตัณหาดับตัณหาระดับยังไงดับตัณหาคือดับความอยากในหัวใจของเราคุณธะทำใดบ้างที่มาดับสุขระดับดับตัณหาเราได้สติธรรมสัมผัญยัจธรรมขันติธรรมความอดความทนวิรยิยะอุสาหธรรมความภาคความเพียร ที่เราเจอและเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราอันนี้เป็นคุณสมบัติของใจนะแท้ที่จริงในใจของเรานะ่ยมีสิ่งที่เป็นคุณมาด้วยมีสิ่งที่เป็นโทษมาด้วยคือมีกิเลสมาด้วยและก็มีธรรมมาด้วยในใจของเรานะในใจของเราแต่ละดวงแต่ละดวงมีกิเลสมาด้วยมีธรรมมาด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการจะชะล้างกิเลสคือปัญหาในหัวใจของเราอ่า ท่านจึงให้เอาธรรมะเหล่านี้มาใช้ให้เอาสติธรรมเอาสัมผัสัญญาธรรมเอาวิริยะธรรมเอาปัญญาธรรมเอาสมาธธรรมมาใช้มาใช้ยังไงท่านให้เราท่านให้เราให้ทําให้ใจสงบนิ่งการทําให้ใจสงบนิ่งคือให้ใจของเรายหยุดอยู่ย ก, กับอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์หนึ่งเดียวนี่ท่านให้เอาธรรมมากากับให้เอาธรรมบริกรรมเหมือนอย่างพวกเราถนัดเกีเ่ยวก็ตพุโทโธพุโทโธพุโทโธ การที่เราดำดิพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ละครั้งเรามีสติเป็นเพียงผูกมากล่าสติก็เกิดจากใจสติเกิดที่ใจสติเกิดจากใจสัมชัญญาเกิดจากใจสัมมัญญก็เกิดที่ใจแต่เราพยายามปลุกผู้รู้ว่เราให้ตื่นรู้อยู่ผู้รู้เขาราหารถูกตื่นรู้ได้ด้วยการปลุกตัวเองเอาสติเอาสัมมัญญามาปลุกตัวเองให้ตื่นรู้อยู่ ตราบใดที่รา บ, บริกรรมด้วยมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ด้วยจิตขเขาน่าจะตื่นโรูอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธในขณะนั้นตัณหาแทรกไม่ได้แต่ถ้าเราเผลอปักตนามันสวม่อยเอาไปใช้ในขณะนั้นเนี่ยพุโทโธหายไปแล้วมันพา เ, าเราไปแทรกอย่างอื่นแล้วนี่คือตัณหาเราจะสงบแล้วนะดับตัณหาที่มันโตขึ้นมาทํา ใ, ให้ใจของเราสงบได้ต่อเมื่อเราเจญสติแน่นหนามันคงทําความเพียรให้ต่อเนื่องพึ่ง พื้ไปตัณหาแทรกไม่ได้ถ้าตัณหามันแทรกแล้วมันทําไงมันเอาจิตของเราเนี่ยเอาตัวของเราไปนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องโคจรของมันโคจรของตัณหามันโคจรไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเพราะทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่จะคุณมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องเป็นทวารที่ผู้รู้ของเรามันออกไปรับรู้ข้างนอก มันออกไปทางช่องตาทวารตาจักรสุทวารโสตทวารหูคานักนะ จ, จมูกทวารจมูกชิวหาทวารลิ้นกายทวารภาษาทสัมผัสทางกายมโนทวารคือใจร่วมมาสำคัญอยู่ที่ใจทั้งหมดมันออกไปนี่คือประตูประตูอะไรประตูที่ถ้า น, นา ม, มาทา่าของเราคือผู้รู้มันออกไปข้างนอกออกไปเสพสุขกับกับรูปออกไปเสพสุขกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัส บางทีมัเจอทุกเจอความทุกเพราะอะไรสิ inside, inside, here, ่งท okay. okay. <wh> <intersect ing> ี่ดีที่งามมันชอบน้วมัก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาความเห็นแก่ตัวมันดึงเข้ามาดึงเข้ามาไปเจอสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปการที่ดีดึงเข้ามาการที่ไม่ดีผลักต่อไปนี่คือตัณหาไม่สวมรอยเข้ามาแต่ถ้าเราเจิอสติโรยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้มันเอาจิตของเราไปลึกเรื่องรูปเรื่องเสียงลึกหรือเรืรไม่ได้มีแต่ทําปรากฏอยู่เฉพาะหน้าพุทโธ จิตสงบก็นับอยู่กับพู้โธพผูโทนี้เราต้องการบริการให้จิตของเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าเราอยู่ได้อย่างนี้ใจของเราจะมีธรรมเพิ่มทูนทะเบีคนขูนขึ้นหนุนใจของเราแต่ถ้าเราบริการไม่ได้หรือเราไม่บริการเลยเราไม่เอาธรรมมากำกับที่ใจเลยกิเลสมาดึงจิตของเราไปทำงานตามภาวะของมันเพราะในหัวใจของเรามันมีกิเลสมันมีกับมธรรมเป็นคู่แข่งขันกันในหัวใจของเรา ตราบใดทำทำ ง, งานรุนแรงรกิเลสก็ยุบย่อไปตราบใดกิเลสทำงานรุนแรงทำก็ยุบย่อไปตราบใดที่ให้ประทับอยู่ในใจของเราด้วยกันนั่งกันคอซี่ลุงตาต้องเปรียบเทียบเหมือนกับอีตัวหนึ่งใจของเราเหมือนกับกอีตัวหนึ่งบุญถ้าให้เขาอยู่ด้วยกันบุญอยู่ซิ่งหนึ่งบาปอยู่ซิ่หนึ่งคือกิเลสอยู่ซิ่หนึ่งทําอยู่ซิ่งหนึ่งแต่ถ้าให้นั่งได้ทีละคน ทีละอย่างในขณะใดที่ทํานั่งอยู่กิเลสก็ต้องพักตราบใดที่กิเลสนั่งอยู่ทำก็ต้องพักหมายความว่าตราบใดที่กิเลสนั่งอยู่ในหัวใจของเราทำก็ต้องพักตราบใดที่ทำนั่งอยู่ในหัวใจของเรากิเลสก็ต้องพักเพราะอารมณ์ที่แสดงชัดเจนที่สุดในหัวใจของเราเกิดขึ้นได้ขณะละหนึ่งอารมณ์ ด้วยเหตุที่เรามีขนาดละหนึ่งอารมณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราจึงสามารถชักล้างกิเลสในหัวใจในพระทัยของกรูได้ยามทําความรู้ตืเด่นรู้อยู่อย่างนั้นเพื่อว่าให้อารมณ์ของกิเลสตัณหามันมีกําลังพอจะมาแทะเราได้ตราบใดที่เรา ก, ก, กําลังอ่อนลงสติปัญญาของเราอ่อนล ง, งตัณหาบอแทระเข้ามาตราบใดที่เราทําให้แข็งกล้ามิสติมีปัญญาแข็งกล้าอยู่ ตัณหามแทรกเข้ามาไม่ได้คือกำลังมันไม่พอกําลังมันไม่เท่ามันเลยแทรกมาไม่ได้มันพร้อมที่จะแทรกตราบใดที่เราอย่งางละอย่างวางอย่างไม่ได้มันพร้อมที่จะแทรกมันเป็นธรรมคู่แข่งขันในหวัวใจของเราถ้าใครเคย อ, อาา่านหนังสือลูกตาลูกตาท่านแต่งหนะังสือธรรมะคู่แข่ง ข, งขันไปหาดูเถิดธรรมะคู่แข่ง ข, ขันคือกิเลสกับธรรมกิเลสมันแข่งขันในหวัวใจของเราตราบใดที่เรามีสมาธิอยู่ในหัวใจของเรา ทำเจริญหัวใจเราเกลียดมันก็หมออราดอยู่ข้างอะไรเราได้เพลิดเพคุณมศนโอบปุ๊บเพลิดเพคุณมันโฉบปุ๊บเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนไม่ทําให้เกิดช่องถ้าเกิดช่องมันมันแทรกเข้าไปดีคือสมถะทําให้ใจของเราไม่รับความสงบความสงบคืออะไรสงบตัณหาสงบใจไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบตัณหามันไม่สงบมันมาทักถมใจของเราตัณหาสงบ มันมาทับถมหัวใจของเราไม่ได้ตัณหามหยุดดีบหุดดิ้แท้ที่จริงตัณหาก็คือกิริยาการของใจมันเองมันเป็นฝ่ายเลวของนามธรรมของเราธรรมก็คืออาการของใจนั่นมันเป็นกิริยาการของคุณงามความดีของหัวใจของเรานี่เราพูดมาถึงหัวใจของเราพูดถึงก้นบึง้งเพื่อเราจะยึดออกมาเป็นเป็นข้อปฏิบัติให้กับเราได้เราพูดอย่างนี้เราเรารู้ที่ไปที่มาของธรรม เรารู้ที่ไปที่มาของกิเลสกิเลสมันเกิดขึ้นกับผู้รู้ของเราเรารู้ที่ไปที่มาของธรรมธรรมจะพึงเจริญหัวใจของเราจะต้องมีสติธรรมมีสามัญญาธรรมมีวิรยิยะธรรมมีขันติมีความอดความทนมีสติธรรมมีปัญญาธรรมมีสมรรถธรรมกำกับอยู่โรยธรรมะจะพึงเจริญเราเจริญธรรมเพื่อเพื่อที่จะมรลุละตัณหาในหัวใจของเราเรามาทดสอบดู เวลาเราเจริญเราเจรัดกา ร, รมัธยฐานจะเป็นสัมมัฏก็ตามจะเป็นวิปัสสนาก็ตามพระพุทธเจ้าท่านทรงเอามหาสติปัฏฐานมาตรเพราะมหาสติปัฏฐานมันรวมทั้งสมถาัารวมทั้งวิงปัสสนาอยู่เลยนะเป็นการเอาสติมาบริหารงานเอาสติเป็นตั้งเป็นพื้นเป็นบาเป็นฐานเช่นอย่างเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทพโธถาราคาสติปักกิเลสมันก็แทกเข้ามาแล้ว พราขาดสติปัจจกยเรียกมันก็แทรกเข้ามาแล้วเราจะเห็นความสําคัญของสงติเจริญวิญญาเนจรนิกิเลสรับความสงบกิเลสรับความสุบนั่นแหละคือจิตมีสมาธิจิตเป็นสมาธิสงบอยู่ในขั้นที่เราดำมีวิตวตวิจารณดำมีนานๆาเข้ามีปีติมีความสุขสงบนานๆาาเข้าทิ้งคาบริการ คือเราทิ้งําบริการคือจิตมันทิ้งําบริการก็ว่าพุทโธพุทโธแต่ว่าจิตไม่ไปไหนหรอกจิตมันอิ่มอารมณ์จิตอิ่มอารมณ์ที่เราป้อนให้นี่คือพุทโธพุทโธจิตมันทิ้งอารมณ์แต่มันไม่ไปไหนมันสงบนิ่งอยู่เนะีัญหาแทรกเข้ามาไม่ได้แล้วจิตมีสิ่งดูุจดุจคือปีติคือความสุขทิ้งทิ้งปีติเหลือความสุขเอกกตาทิ้งความสุขเหลืออุเบกขาเอกกตานี่คือความละเอียดสุดสุดของจิตของเรา ไม่มีกิริยาอาการรู้อยู่เฉพาะตัวสว่างโ็อยู่อย่างนั้นนี่คือความสงบแต่ถ้าเราสงบด้วยเราพิจารณาด้วยอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนามันเป็นเรื่องของมหาสติเอาสติไปตามกําหนดจดจ่พิจารณาเพราะฉะนั้นอารมณ์ของอารมณ์ของมหาสติพระพุทธเจา้าท่านจะส่งอามต้ะเอาไว้คือกายเวทนาจิตธรรมตามพิจารณากายกายองปัสสนาสติปัฏฐาน ตามพิจรารณาเวทนาเวทน า, ทนามปั ส, สนาสติปัฏฐานตามพิจรารณาจิตจิตตามุป ส, สนาสติปัฏฐานตามพิจรารณาธรรมคืออารมณ์ที่หลกไปแล้วตกข้างบนหัวใจใเราเป็นธรรมานุ ป, ปั ส, สนาสติปัฏฐานเราเจริญบทใดบทหนึ่งทะลุถึงกันหมดทำไมถึงทะลุ ก, กันหมดเพราะผู้เจริญผู้ทํางานคือใจดวงเดียวเราจะเจริญกายมันก็เป็นการปิดช่องตัญหา ตัหาแทรกที่เวทนาที่จิตไม่ได้เราเจริญเวทนามันก็มันก็ปิดช่องตัณหาไม่ให้แทรกเข้ามาที่กายได้ที่จิตได้ที่ทําได้เราเจริญจิตกําหนดจดจ่อดูที่จิตอย่างเดียวตัณหากระแทกเข้ามาที่กายไม่ได้ที่เวทนาไม่ได้ที่ทําไม่ได้เจริญบทธรรมอย่างเดียวตัณหามันกรแทกเข้ามาที่กายที่เวทนาที่จิตไม่ได้เพราะความสัมพันอยู่ที่จิตของเราเพราะปลุกจิตของเราตื่นรู้อยู่ยออยู่อย่างเยอตัณหาดับหมด ถาเราไม่ศึกษาธรรมกิริยาการที่ตัณหาจะแทรกเข้ามาในหัวใจเราม า, มากมายมหาศาล ร, รุ่มไปหมดความนึกคิดอย่างนั้นอย่างนี้โดยสัญญาด้วยอารมณ์อย่างนั้นกิริยาการจะนย่างนี้ยางมันพร้อมที่ตัณหาจะสวมรอยจับและแทรกเข้ามาได้ทันทีมีตั้งห้ช่องหกสิบช่องโอ้ทําไมมีช่องที่ตัณหาจะแทรกเข้ามาได้มากมายเยอะแยะทำไมเราจะเราจะตัดได้ละได้ เราก็หมุดจุดจรอยู่ที่ใจของเรามีสติมีสัมผัสยันยึกำกับอยู่ที่ใจของเรานอกนั้นดับหมดเพราะอะไรเพราะผู้รู้ที่จะพูะดแสดงหัวใจของเราได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์อันนี้ให้เราจำเอาไว้เป็นหลักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามพยายามทําผู้รู้ให้ตื่นรู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้แทรกเข้ามาไม่ได้จริงๆ เืมออย่างเราเจริญเราเจรริพิจารณาเวทนาเราพิจารณาเวทนาอย่เรานั่งนานๆนี้เราเจ็บว่าปวดเราก็ย้อนมาดูความเจ็บความปวดของเราลงตาท่านให้ดูความเจ็บความปวดอะไรย้อนมาดูจิตด้วยย้อนมาได้นะเอาอะไรย้อนเอาจิตเดี๋ยวเรย้อนมาดูจิตย้อนได้ไมเราลองย้อนลองดูนะถ้าเราไม่เคยทําเราลองหาทำดูลองย้อนมาดูดูกายแล้วก็ย้อนมาดูจิต ดูเวทนาไปย้อมาดูดูจิตเอาะไรเอาะไรดูเอาใจนั่นแหละดูดูความรู้สึกของกายดูความรู้สึกของเวทนาแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตมันย้อนได้นะมันย้อนได้ทําไมจึงย้อนมาดูที่จิตย้อนดูทําไมตัณหาเวลามันจะเกิดมันจะเกิดที่จิตถ้าเราย้อนมาดูจิตมันก็เป็นการรักษาจิตของเราโดยอัตโนมัติตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้ในเมื่อตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิด เห็นจักทว่าเห็นจริงๆได้ยินจักทว่าได้ยินจริงๆตัณหาไม่เกิดเนี่ยตัณหาไม่เกิดได้จริงๆไม่เชื่อท่านถ่านลอเจริญลองดูลองเจริญลองดูลองกำหนดจุดจอดูเช่นอย่เรานั่งเดี๋ยนเราเรานั่งเจ็บนั่งปวดปวดเอวปวดหัวเข่าปวดไหลปวดคอปวดตรงไหนก็แล้วแต่เนื่องจากเรานั่งนานๆเนี่ยเราก็ย้อนย้อนไปดูความปวดเราก็ย้อนดูใจยอนหรือว่าปวดก็ย้อนดูใจ แต่ต้องมีสติทียึบกําหนดจดจอ่อมีสมาธิแนบแน่นมั่นคงมีความเพียรพระประทองอย่างต่อเนื่องตัณหาคือความยินดีไม่เกิดคือความยินร้ายไม่เกิดเห็นจักก็เห็นจริงๆได้ยินจักก็ได้ยินจริงๆเพราะฉะนั้นพระพายยะพระพัยยะท่านความเทศจากพระพุทธเจ้าพระพัยยะเนี่ยท่านรู้สึกตัวว่าท่านจะอายุไม่ยืนะฮะท่านไปค้าขายและซ้าเผาแตก นั่งกระดานนั่งแผ่นกระดานมาเอาชิ้นรอมาถึงท่าท่าเรือสุปรากะขึ้นที่ท่าเรือสุปราก ร, ระดไปทำเป็นนุ่งหม่มใบไม้ประชาชนทั้งหลายเห็นหนุ่งห่มแปลกๆบอโอ้นี่แหละป้านี่แหละพระอาหารเอานี่ไปให้เอานี่ไปให้นักหนักข้าวพระภายะตอนนั้นอ่ะร้องตัวเองโอ้เราทําอย่างนี้กลายเป็นว่าคนก็เอานุ่งห่ให้กินเอานี่มาให้กินเราไม่ต้องไปทําหากินแล้วเขาสังขานมัน่นหมายว่านี่แหละคือพระอาหารพระว่านะทั้งทั้งที่คนนี้ขึ้นมาจากท่าเรือ เพราะเรือมันแตกไงไม่มีเสื้อผ้าอาพอเลยลอยมาในทะเลนี่ไปก็ไปใบ ไ, ปไม้มาเย็บมาโ น, น่งมาเย็บมาโ น, น่งนี่แหละผ้าหันนี่แหละผ้ารั้งถือปอนปอนอถือมักน้อยถือฉันโดดที่ไปไปมาเลยหลงตัวเองที่เพื่อนที่ตายในขณะที่ไปบังเพงเพียนด้วยกันไม่เป็นเทวดาเทวดามองเห็นเออพื่อนคนนี้ชักจะไปใหญ่แล้วเริ่มมาเตือนเพื่อนเพื่อน อย่าไปสำคัญม wow. ั <Qué S 2> ่นหมายหลอกตัวเองเลยหลอกคนอื่นแล้วไม่พอหลอกตัวเองหลอกตัวเองไม่พอลหลอกคนอื่นสําคัญมั่นหมายเอาบาปเอากรรมใส่ตัวเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าบาดแล้วอยู่ตรงนั้นตรงนั้นให้เพื่อนรีบไปนะนี่พระภัยย้อไปไปพบพระพุทธเจ้าพลังเดินบินทบาทก็ดีขอขอให้พระพุทธเจ้าขอพระทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์รุ่นย่าไปเชยเดินบินทัพบาทเชยวาระที่สองขอพระงแสทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์พุทธเจ้าไปเชยไม่ได้ ท่นนี้พระพายะท่านเหมือนกับกรรมบันดาห์ท่านว่าท่านจะไม่อายุยืนข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าข้าพระองค์จะมีอายุยืนสักเท่าไหร่ขอพระองค์ทรงเมตตาแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เดี๋ยวนี้เถิดพระเจ้าค่ะอย่างนั้นเธอจงฟังเราจะแสดงฟังเธอจงเห็นสักเท่าว่าเห็นได้ยินสักเท่าว่าได้ยินพระพาทําตามพระพายะทำตามนั้นเพราะท่านเป็นผู้ ต, ตรตัสรู้เร็วอยู่แล้วเห็นจ like ักเท่าเห็นยจริงยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดตัณหาไม่เกิดตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้ เพแสดงธรรมจบได้ยินเห็นได้เห็นสักเทวะเห็นได้ยินสักเทวาได้ยได้ฟังได้สัมผัสได้กลิ่นได้สักเทว่าสักเทว่าจิตของพระพายะทําได้อย่างนั้นจริงๆรพร้อมกับดับตัณหาไปพร้อมในขณะเดียวกันยินดีไม่เกิดตัณหาดับถ้ายินดีเกิดก็ยึดเอานี่ที่เรียกว่ายินดีในสุขเวทนายินร้ายเกิดก็ยึดเอานี่เรียกว่ายินยินร้ายในทุกขเวทนา เมื่อเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาแล้วเกิดอุ ป, ปาทานแล้วเกิดภพแล้วก็เกิดชาติแล้วเกิดกองทุกข์ตั้งหลายทั้งปวงตามมานี่ถ้าเราสมถะนักดับตัณหาไม่ได้อ่ามั่นปลายของมันก็คือระลอของกองทุกข์ตั้งหลายทั้งปวงนี่พระภา ย, ยะฟังทําได้ตามนั้นพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบปั๊บได้เป็นพระอารหันต์ยังไม่ได้บวชนะอ่าพระพุทธเจาเอหิภิกขุเอหิภิกขุและพระพา ย, ยะเนี่ยไม่สําเร็จ ไม่มีไ ม, ม่บริขารลอยมาเลยเพราะไม่เคยถวายผ้าเอาไว้อย่าลืมนะถวายผ้าในสําคัญอยู่น ะ, ะอย่าให้เหมือนพระภัยยะนะมบรรย์เป็นผ้าอรหรันนี้ยังไม่มีผ้ารอยมาเลยนะถ้าพระภัยยะทรงตรัสว่าพิสุจมเป็นพิสุมาเธอเนี่ยจะมีผ้ามาพันเลยนะมีบริขารมาพร้อมเลยพระพัยยะไม่เคยทําบุญไว้นะอ่ ง, งั้นเธอไปแส ว, แห ง, หสวแหงหาผ้าไปแสวงหาผ้าให้ให้พระพัยยะเป็นแสวแหงหาผ้ามาเพื่อที่จะมา เพื่อเพื่อที่จะมาถึงเพศแต่ใจว่ า, าเป็นพระอาหารแล้วพระพา ย, ยันเลยไปแสวงหาพ่าไปเขียพราในกองขยงนะนั่นทีนี้ไอ้เจ้ากรงไอ้เจ้ากัง ย, ยักษที่เคยเป็นไพรเป็นเวร เ, เ, เป็นภัยกันกับพระพา ย, ยัมันไปสิงสีงวัววัวมันหากินอยู่แถวนั้นวัวระเบิดชนท่านตาพอดีอุทยะบินธมาตรวกมาแล้วไ่เจอพระพายันพระพา ย, ยันถูกวัวชนตายแล้วแลยใ้พระสงฆ์เอาไปทาฌาปนกิจ เอาไปทำเอาไปเอาอาธิบายเก็บเอาไว้นี่คือพระพายนะเป็นผูต้ตรัสรู้เร็วความหมายเอามาพูดเปรียบเทียบว่าเราสามารถสงบระงาบดับตัณหาได้เนื่องจากว่าเรามีสติมีสัมผััญญะกำหนดจดจอ่อรู้พร้อมตัณหาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานก็เกิดไม่ได้เมื่อตากุปาทานเกิดไม่ได้ภพก็เกิดไม่ได้ ผู้ที่จะไปอุบัติในภพมันก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะไปอบตัติเพราะไม่มีตัวตน ท, ที่จะไปอบตัติไม่มีภพที่จะจะให้สลับใครๆไปอุบตัติไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติความโสกปริเทวะความแก่ชราคร่ำคร่าโสกปริเทวะทุกขโทมนันสอุปายะทั้งหลายทั้งปวงที่จะปุงตา ม, มาก็ไม่มีพวกเราทั้งหลายมาได้รับกองทุกข์จากปลายหางอันนี้เองเราไม่เคยยอรึกเข้าไปว่า เหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่พวกเรานี้เกิดขึ้นจากอะไรสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์คือรูปธรรมของเรานามธรรมของเราเราจะสมุทันับดับความทุกข์ทั้งหลายที่พวกเราเรื่องเราจะต้องสมุทัยนับดับตัณหาในหัวใจของเราจะสมุทันับดับตัณหาในหัวใจของเราต้องมีข้อปฏิบัติมีแนวปฏิบัติทุกสมุทัยนี่ราหมดมาก การที่เราเดินองค์มรักนั่งแหละมาพิจารณาเพื่อให้ตัญหามันดับไปดับไปแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างดับไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่งแหลกเป็นนิโรภูติเจ้าท่านจึงชี้มาที่มัชชีมาปฏิบัตคือสิ่งสมาธิปัญญาเนี่เราเริ่มปฏิบัตินะเราเดินสิ่ปั๊บเราเริ่มต่อสู้กับตัญหาแล้วเดิญสมาธิปั๊บเริ่มต่อสู้กับตัญหาในหัวใจของเราตัญหามันแสดงมาที่กายมันภาพจริงมาที่กายจิตนิคนึกคิดเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลีย เรื่องรักเรื่องชอบเรื่องขโมยเรื่องอะไรต่ออะไรสาร พ, พัดมันแสดงออกมาที่กายเพราะฉะนั้นท่านจึงจให้เราสำรวจกายกายกรรมไม่ค่าสัตว์ไม่รักษาไม่ไมพระพุทธพิรำกาลใครรักษาได้คนนั้นสามารถทํากายกรรมตัวเองให้บริสุทธิ์ไม่พูดเท็จพูดย า, ยาพูดซเสียพูดฟุ้งเจ้อนะเป็นการสงบระงับกรรมที่จะพเพแสดงขึ้นในวัฏจีกรรมทาให้วัจีกรรมคนนั้นบริสุทธิ์ ทนี้ปัญหามันแสดงมาที่กายไม่ได้ที่วายใจไม่ได้มันแสดงมันอีกที่อยู่ที่ใจมันแสดงมาที่ใจเราต้องเจอสังขารเอาธรรมมากำกับที่ใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตลอดอยู่กับธรรมนั่นแหละตัญหามันแสดงออกมาไม่ได้มันแสดงมาที่กายไม่ได้แสดงที่วายใจไม่ได้มันแสดงที่ใจไม่ได้มันสงกระงับอยู่แต่ยังมันยังไม่สิ้นสุดมันยังมีสายใหญ่ระโยองระยองอยู่นั้นมันหมอ อยู่นั่นเพราะฉะนั้นสมถะตัณหามันจิงหมอท่านยังให้พิจารณาการพิจารณาที่จะตามเข้าไปตามรู้ตามพิจารณาเองตามรู้ตามพิจารณาตามรูตามพิจารณากองทุกพิจารณารูปธรรมพิจารณาหนางธรรมอะไรเพราะเรายึดเรือเกิดหรือรู้กายเป็นราวกายของของเราเวทนาสัญญาสังขารเป็นราเป็นของของเราเรายึดเลื่อเกิดยึดด้วยความลุ่มหลงลุ่มหลงเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยไปพิจารณาไม่เคยไปคลี่คลายว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเป็นไร เพราะฉะนั้นกิเลสมุขภาเรายึดอย่างเหนียวเน่ยมันของอนี่แหละนี่แหละคืออัตราตัวตนของเราเลยแหละขาสองแขนสมีหัวมีลาตัวนี่แหละนี่แหละคืออัตรานี่แหละคือตัวตนเพราะญาพุทธเจ้าท่านยิ่งให้มีวิธีพิจารณาแยกแยะโอ้เป็นดินเป็นน้าําเป็นลมเป็นไฟแก้ขะเอียดมากไปเพรานั้น är. คือเป็นผงเป็นผลเป็นเล็บเป็นฟังเอียดย่ไปหมดนี่ ทำลายสิ่งที่เป็นก้อนที่เป็นแท่งด้วยการมาพิจารณาเอาสัญญามาคาดมันเอาเป็นผมเป็นขนวายจะได้พิจารณาแยกผมกองหนึ่งขนกองหนึ่งเล็กกองหนึ่งฟันกองหนึ่งเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองเพื่อทำลายความว่าอัตตาตัวตนความเห็นของเรามันเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งที่จะเรียกว่าคณะสัญญาคณะสัญญาคอร์คังนอหนูคณะคณะคณะตัวนี้แปลว่าก้อนแปลว่าแท่ง ทำลายคณะสัญญามันสาคัญเห็นว่าเป็นก้อนเป็นแท่งอันนี้แหละสาเหตุที่มันผะอัดถืออัตตาเป็นตัวเป็นตนอัตาตาโดยตัวมันโผล่ขึ้นมาถึงหัวใจของเราเราดูเราเราูรา้ออกถ้าเราเจริญกรรมฐานมาถึงตัวนี้เราเรา theology, าู้ออกว่าตัณหามันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ความถือเน้อถือตัวมันเกิดขึ้นมีขึ้นโดยเหตุที่ความถือตัวถือเน้อถือตัวเกิดขึ้นนั่นแหละสังคมของเราจึงวุ่นวายอ่วุ่นวายมากถือเราถือท่าน ถือสิทธิ์ถือนู่นถือนี่ถืออะไรต่ออะไรสารพัถือกว่ากว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้เด่นกว่าอันนั้นมากกว่ารวยกว่าฉลาดกว่าดีดีวิเศษวิโสกว่าด้วยเหตุที่ถือตัวถือตัวสิ่งเหล่านี้ตามมาในสุขภัทรเลาะเบกแยงการเราดูการแก่งแย่งความเป็นอยู่ในสังคมของเรามันเกิดขึ้นมาจากสิ่งเหล่านี้เน่ยตัญหามันโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเราพิจารณากำหนดจุดจ่อด้วยสติด้วยปัญญาย้อนลงไปดูมันลายหายไปเลย เวลามันพลอขึ้นมาเพล้ยเพมันพล่ขึ้นมาปั๊บเราย้อนขึ้นมามันลายหายไปเลยตัณหาเวลาเราพิจารณาละเอียดหรอมากเมันเหมือนถ้าเราจะเปรียบเทียมมันก็แย่วิ่งเข้ารูมันมอบอยู่ในรูเนาะแย่พอมันวิ่งเข้าไปแล้วมันเข้าไปรูมันเข้าไปอย่ในรูมันไม่แสดงตัวเหมือนกับตัณหามันหมอบอยู่ในหัวใจของเราเพราะเพล้ยเพล้ยมันแแโผลข้ามาไม่ใช่เราลองไล่แย่เราลองดูเราดูนะ แล้วเราเราไจ้องมันดูอยู่นั้นอยู่ในปากดูฉะนั้ น, นมันจะค่อยๆโผล่มาพราะไปเจอแล้วปั๊บฮุกลงไปนะเพราะไเจอแปับ๊บฮุกลงไปนะเวลาเราต้องการจับแ ย, ย่เราก็ขุดตามลงไปมันอยู่ในนั้นแหละการตามพิจารณาที่ตนันธามัพาเรายึดเราเ ก, กะเป็นรูปเราเป็นเวทนาเป็ น, ป น, ป น, ปนสัญญาสัขางขารปัญญาเขราเราก็เช่นเดียวกันถ้าให้ตามพิจรารณาตามกำหนดจดจ่อตามพิจรารณาคลี่คลายดูว่าอะไรคือเราอะไรคือของของเรา เรารูไปแล้วไปย้อนมาดูใจใจก็สักเท่าไหร่ใจกายก็สักเท่าไหร่มันจะเป็นเราได้ยังไงสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราถ้าเป็นเราเราต้องบังคับได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอันนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้ทั้นั้นหามันเจริญในวัยที่คนเจริมันเสื่อมในวัยที่ควรเสื่อมแล้วเอาอะไรไปบังคับบัญชามันได้อย่าลืมว่าเรามีร่างกายเราบังคับได้แค่ให้เขาอยู่ในอิริยาบถที่เราต้องการนั้นบังคับให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนบังคับได้แค่นี้แหละ บังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายบังคับไม่ให้หิวบังคับไม่ได้นะบังคับไม่ได้แต่วิธีการปฏิบัติมีท่านมีให้ให้ดูได้บังคับได้วิธีพิจารณาท่านให้ดูความหิวนั่นสักเทวดาเทศนาท่านั่นพิจารณาเป็นเวทศนาใครหิวเข้าข้าแมวข้าแมวข้าแมวอยู่ในท้องมันถูกบิบกระพอะกระพาะมันบีบท่านให้ดูก็มาดูโอ้ที่สักเทวดาเทนาแต่ถ้าหากเราไม่เคยพิจารณาอยู่นี้หิวหลือเกินหิวหลือเกินหิวเหลือเกิ ความคืออัดตามันไปแทรกแทรกแล้วก็ยิ่งหิวยิ่งหิวถ้าเราเอาธรรมะพิจารณาเห็นสักว่าเวทนาเหมือนเจ็บเหมือนปวดเหมือนอะไรต่อะไรอย่างอื่นท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถสงบระงับความอยากนั้นได้นี่ตั้าให้ตามพิจารณาอยู่อย่างนี้เหมื่อกลับต้องการยแย่ล้วก็คุดตามลงไปสัหน่อยเราก็จับแย่ได้ตัณหามันโผล่ในหัวใจของเราไม่เช่นเดียวกันตัณหามันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันสัมผัส เช่นาตาไปกระทบรูปตาไปกระทบรูปอายตนะภายในไปกระทบรูปอายตนะ ภ, ภายนอกเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนามันไล่ามาตามตามลําดับปฏิจจสมุปบาทที่ท่านที่ท่านลําลดับไว้ผัสสะเป็นปจัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปจัจจัยเกิดตัณหาอันนี้คือสมุทัยมันเกิดนะเวลาสมุทัยมันเกิดมันจะเกิดตามลําดับนี้แต่มันเกิดรวดเร็วมากเราโมจนไปไล่งนั้นไม่ทันมันหรอก อันนพุทธจ้าท่านแยกแยกให้เราเข้าใจเพื่อจะรู้แนวปฏิบัติรู้ข้อปฏิบัติมันเกิดปุ๊บปั๊กถ้าหากเราไม่มีทําให้มีกําหนดจดจ่อยยู่ในหัวใจเมื่ยินดีทันทีมันก็ยินร้ายทันทีไอ้ยินดีกับยินร้ายน่ยกิเลสมันพาแปลผิดแปลเข้าสันดานของมันเข้าสันดานของกิเลสมันปลาเพพาแปลใหม่านั้นเป็นกลับกันเป็นปุริชามาแล้วเพราะกิเลสมันเข้าเนื้อเข้าตัวมันหมดโอการที่จะมันจะให้เรารู้เนี่ยมันจะให้เรารู้ไม่ได้พิดหูพิดตาเราทั้งหมด ดูแต่ปิดหูปิดตามให้เราเห็นเพราะเห็นชาติของเราเอง <c oughs> เกิดมากี่กับกี่การ <c oughs> ไม่เคยเรับให้เรารู้หรอก <c oughs> ถ้าไม่เจริญปัญญาจนแจ่มแจ้งสว่างไสวจริงๆ ร, รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นี่เราพูดถึงที่ไปที่มาของพวกเราแล้วก็น้องไปสู่แนวปฏิบัติทั้งสามมติฐานกุฏโกุโ ท, ทั้งวิปัสสนากาหมดจดจ่อพิจารณาพิจารณาดูงความเป็นไปเป็นงงมาของรูปธรรมของเราความเป็นไปเป็นมาของนามธรรมของเรา พิจารณาดูอารมณ์ตามหลักปฏิจจสมุปบาท น, นี้เห็นชัดเจนที่สุดเราสามารถสงบระงับดับตัณหาหัวใจของเราไม่ได้ให้ได้ทั้งหมดตัณหาที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราในลำดับนี้เป็นตัณหาใหม่ตัณหาใหม่นี้เราสามารถสงบระงับได้มีสติมาปิดมา ก, กั้นไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาได้มันสงบระงับได้แต่รากเหง้าต้นตอมันเรายังไม่เห็นนะท่านจึงให้ตามพิจารณา การตามพิจารณาก็คือใช้ปัญญาเอามาพิจารณาคลี่คลายคลี่คลายอัตภาพร่างกายของเราพิจารณาเวทนาเวทนาสักว่เวทนาสัญญาสักถวาสัญญาสังขารสักทวะสังขารวิญญาสักทวาวิญญาณเวลาเราพิจารณาถึงขั้นถึงขีดจริงๆมันสักได้ว่าจริงๆริเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่จิตเป็นอาการของผู้รู้มันเป็นอาการของผู้รู้สลับผู้รู้อามาเชื่อมประสานระหว่างรูปธรรมกันนามธรรม ให้มีการสัมผัสสัมพันธ์และกระรรารทำาประกอบกันให้เสร็เด็จประโยชน์ในการทํางานให้กับนามธรรมนามธรรมก็คือที่อยู่ของตัณหานั่นแหละเพื่อตัณหามันจะได้เสพสุกเข้าไปสู่ปากสู่ท้องเข้ามาซึ่งอยู่ในหัวใจของเรานี่คือตัณหามันมีฤทธิ์มันมีเดชถึงขนาดนี้ถึงขัน้นนี้ถึงระดับนี้เพราะฉะนั้นเราไม่สนใจเรื่องสถมถะธรรมไม่สนใจเรื่องวิงปัสสนาธรรมวัตดสงสารเราไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นเราเจริญ ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปคือเจริญสีนเจริญสมาธิเจริญปัญญาตั้งทบทั้งใจทำให้แน่วแน่แน่วแน่มั่นคงแน่วแน่มั่นคงแล้วธรรมะในใจของเราก็จะเริ่มเจริญจะเริ่มงอกเลยถ้าเรามาติดขั้นแก่การการให้ทานการรักษาศีนอันนี้สองของการให้ทานการรักษาสีนทําให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์การไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์ยังเป็นกองทุกข์อยู่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มแปร่อยู่บนสวรรค์แท้ที่จริงบนสวรรค์หกชั้นนัะน มันเป็นที่อยู่เป็นที่สวยกาลกาลมาสุทเต็มแปร่ยอยู่บนนั้นเราไปพระพุทธาท่านกตัววเราหลงในกาลมาสุทท่านแสดงาฐานคถาศินคถาแสดงถึงสวรรค์แสดงพระ แ, แสดงโทษของสวรรค์อาทีนะวะคาถาโทษของสวรรค์แส้งพระองค์ทรงแสดงเนคคำมานิสังสกาถาพูดถึงการออกบวชคําว่าการออกบวชในที่นี้หมายถึงว่าการทํำใจให้สงบ การออกบวชการบาเพ็ญคือแสวงหาความสุขให้กับหัวใจของเราตราบใดตราบใดก็ตามใจของเราได้รับความสมบกเหมือนกับจิตของเราถูกสํารอดถ้าเราจะเทียบกันเหมือนไม้มันแห้งถ้าเอาเอาไปเทียบกับไม้สดไม้สดด้วยเพราะมันสดสดแล้วมันชุ่มระ ย, ยางด้วยสารพวกเราทั้งหลายบริโภคกามอีกด้วยเหมือนกับถูกแช่งลงอยู่ในน้ําอีบุรุษต้องการสีไฟให้เกิดเอาไม้สดๆมาสีกันให้เกิดไฟ เหนื่อยเปล่าพระพุทธเจ้าทร ง, งตรัสว่าเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามสํารอกกิเลสกิเลสก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเราสามารถสํารอกได้จิตสํารอกกิเลสได้สํารอกตัณหาสํารอกวัตถกุกามทั้งหลายเหล่านี้ได้ด้วยเหตุที้จิตสงบจิตสงบคือตัณหามันภาพพิงมาที่รูปที่เวทนาสัญญาสังขารภาพพิงมาที่รูปที่ เสียที่กลิ่นที่รถที่สัมผัสมันาพาดพิงมาไม่ได้มันก็สงบกิจสงบนั้นแนะ่ะเหมือนกับไม้แห้งเราเอาไม้แห้งไปสีกันให้เกิดไฟมีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่จะต้องสีอย่างถูกวิธีแล้วก็ต้องสีอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ว่าไฟมีสัญญาณมีลักษณะใกล้จะติดมีความปรากฏมีถ่านมีขมเหลาดำๆมีถ่านแดงๆปรากฏขยัอยู่ตรงนั้นแหละจนฟึบลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาอันนี้หมายความว่าเราจำรัก ชำระกิเลสออกจากหัวใจของเราเราพูดในระย ะ, ะสันส้นๆระยะยอ่ยอๆเพื่อพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าเราต้องการจะทําทําให้เจริญในหัวใจของเรานั้นความสงบของใจสําคัญที่สุดซึ่งเปรียบเสมือนเอาเอาไม้แห้งเอาไปสีการให้เกิดไฟย่อมมีโอกาสที่จเจริญแต่ถ้าสีหยุดสีหยุดสีหยุดไฟก็จะจิตไม่ได้เช่นเดียวกันท่านยิ่งให้ทําอย่างต่อเนื่องครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อาจได้ทำมาสอนพวกเรานั้น ท่านเอาเป็นเอาตายเข้าใส่เอาเป็นเอาตายเข้าแรกหมายความว่ า, วาท่านเห็นสัญญาณสัญลักษณ์ของไฟปรากฏเห็นควันปรากฏทาน้ำดำปรกยยากฏทานแดงๆปรากฏขยับไม่ยอมหอยุดอันนี้ผู้รู้ที่ตั้งอก ต, ตั้งใจบําเพ็ญจะรู้เองจะเห็นเองขยับตรงนั้นคอยได้คอยได้ไม่ตายคอยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอยตายไม่ได้คอยตายไม่ตายคอยได้ขอยได้ขยับตรงนั้น เพราะฉะนั้นแต่ะองค์แต่ะองท่านทีงพูดไดบอกเหลือเด่นตใจเหลือเด่นใจเหลือเด่นายตรงนี้แหละหนักไหมถึงกับเอาชีวิตจิตใจเอาไปแลกแลกด้วยวิธีการอย่อยางนี้แหละมันเป็นของเบาๆแต่ดูเหมือนเป็นของหนักมันเป็นของดูเหมือนง่ายๆแต่ของยาเหนียวเนี่ยมันคงมากกิเลสมนหัยใจของเราเพราะมันพัฒนามากี่กับการตีปุรหิชาติเราจะมาทําชึกเดียวให้ได้ไม่ได้ดอกอย่างพระภัยยะในชาติใกล้จะมาเนี่ยท่านไปตั้งใจ ภาวนาจนตายแล้วนั่นทีนี้ท่านบรรลุในอัตภาพนั้นยังไม่ได้แต่จิตของท่านไปสูงมากแล้วแหละพอเวลาท่านมาบาัดปักได้ฟังที่์ของพระพุทเจา้าจบหนึ่งคาถาท่านบรรลุฐานปุ๊บทันทีเลยพระพายาในพระเจ้าองค์ก่อ น, อนๆที่ใกล้เข้ามาเนี่ยไปตั้งใจทําความเพีย่ยนไปด้วยกันเกล็ดองพากันไปขึ้นภูเขาสูงๆเหมือนกระดอกเห็ดงั้นนะเอาพระองค์เอาเอาไม้ที่เป็นพระองคนะ์ไปพาดขึ้น ขึ้นไปทั้งเจ็ดองหนัเป็นเพื่อนศาสาธรรมิกด้วยกันเท่านั้นอ่ะขึ้นไปบงเพ็ญอยู่บนนั้นแล้วก็ยอมตายอยู่บนถ้าใครได้ตรัสรู้เป็นพระอรหรันต์ก่อนให้เฮาะไปมีตบะไมเ่เจอกันฉันเพราะฉนั้นแต่พอขึ้นไปได้แล้วก็ผลพระองค์ลงนลยร้องก็ไม่ได้แลเนี่ยรองมาก็ตายร้องมาก็ตายไปขึ้นที่สูงขึ้นไปภาวนาเอาตายแลกเขาไปเลยบางองค์ก็เป็นพระอาหารเป็นพระอาหารไปทั้งหลายองค น, นะในในในยุคเกจ็ดองนั้นนะ บางองค์ก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาพระพายะตายแนละ้วกนะ็ไม่เป็นอะไรก็ไมุรู้ต่อมาก็ม า, มาเป็นพ่อค้าสัผภาทางเรือที่ว่าเพื่อนที่เกิดในยุคนั้นเมื่อเป็นเทวดาแล้วมาบอกโอ้ยอย่าหลงตัวเองเลยพุทธเจ้ามาแล้วทีว่ไปกราบท่านที่ไปความเทศจาท่านนี่เทวดา ซ, ซึ่งเป็นเพื่อนมาเตือเพราะชาติจะมาเนี่ยท่านจังจะเอาเป็นเอาตายเขาใส่ไดนะ้เพราะฉะนั้นใจเขาเราละเอียดใจเขาตั้งละเอียดมากท่านจึงฟังทำปุ๊บมันลุก ป, ปับคือภูมิหลังมันมีบางอย่าเถิด พวกเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยการตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติธรรมใครมีภูมิหลังที่ส่งมาดีแล้วเรากจะทาวนาได้ง่ายสงบ ก, ก็สงบได้ง่ายพิจารณาก็พิจารณาได้ง่ายทะลุปลุกปล้ลเหมือนความโลกความโกรธมันเบาบางไปอย่างง่ายๆบางคนก็เย้ายากแสนเข็นบางคนแค่จะให้สงกแค่หนึ่งนาทีสอทีก็ยังไม่ได้มันลำบากมากเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวบ้านเรา เป็นการประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่มีการสมโพธเจดีย์และมีการเจริญสวดพุทธมนต์เป็นพุทธาพิเศษและก็เจริญปริตะมงคลแล้วก็จะมีพระเวทต่อในวันรุ่งขึ้นล้วนแต่เป็นบุญยะกิริยาที่สำคัญแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างและที่สำคัญที่สุดก็คือมีการฟังเทศน์ฟังคำ การฟังเทศของธรรมก็พยายามขุดรากขุดง่าขุดต้นขุดต่อที่ไปที่มาของธรรมที่ไปที่มาของกิเลสในหัวใจของเราหมายท่านทั้งหลายได้อยู่ได้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นบุญยักกิริยาที่สําคัญการสร้างเจดีนั้นมีผลมีานิสงตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ผู้ที่สร้างเจดีบรรจุได้นั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าควรสร้างเจดีบรรจุ 2. พรสองพระปฏิเจ้ า, พจาสาพระอรหรัน สาวกก็ตามสี่พระเจ้าจักรพรรดิคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิไม่ใช่จักรพรรดิแต่งตั้งเอาเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเขาตั้งกันไม่ใช่คําว่าจักรพรรดิในที่นี้หมายความว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่มีสิ่มีธรรมท่านจะมีจักรประจําบารมีของท่านนะจักรนี้มันจะหอกลอยไปมันลอยไปที่ใดที่ใดท่านจะยกกองทัพตามไปแล้วก็ประชาชนที่จักรนี้หอกไปก็เขาจะยอมสวามิภักดิ์ และพระเจ้าจากักรพรรดนี้จะปกครองโดยสินห้าปกครองโดยสินห้านะเป็นผู้มีศินมีธรรมไม่ใช่ไปตั้งเอานะพระเจ้าจากักรพรรดิเป็เจ้าจากักรพรรดิไม่ใช่ไปตั้งเอาคำว่าจากักรพรรดิก็คือจับนั่นแหละจับของท่านอ่ะเป็นคู่บา ร, รมีของท่านพระเจ้าจากักรพรรดิน่ะเพราะฉะนั้นา จ, าจึงเป็นคนที่คู่ควรกับการสร้างสถาปร้างเจดีย์ไว้ให้คนกราบไหว้บูชาในทางศีแพรง่งแต่พวกเราก็นิยมมาสร้างแลว้วก็บรรจุ อัถบริขารของครูบาอาจารย์แต่เราก็ไม่ลืมที่จะไปแสวงหาพระพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของครูบาอาจารย์ของนั้นของนั้นของนั้นหรือพระพุทธพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุมาบัญจุเพราะฉะนั้นเราบัญจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยเรามีอัฐบริขารของครูบาอาจารย์ด้วยมีรูปปั้นของครูบาอาจารย์ด้วย พวกเราเป็นสาสิเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกวัดคนในบ้านทั้งหมดรวมยังพระเจ้าประสงค์ของวัดเนี่ยวัดป่าหนองแสงเราเชื่อวัดอะไรไม่รู้นะไม่เคยจําชื่อเลยชื่อว่าอะไรวัดศรีสุมลาล卡拉รามวัดศรีสุมลาล卡拉รามพวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรียญเสร็จแล้วก็มาสร้างเจดีย์อุทิศถวายหลวงพ่อใจนลวงพ่อสายใจ นอกจากนั้นแล้วก็มีอัถบริขารมีรูปปัน้นแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุมีพระพุทธรูปมีอะไรต่ออะไรซึ่งมันจะครบอบบนในองค์ที่ว่าเป็นปูชนียสถานเป็นปูชนียบุคุเป็นปูชนี ย, ส ถ, นนน ย, นนยสถานสำหรับกราบไหว้สำหรับบูชาการที่เราตั้งตั้งองคตั้งใจสร้างตั้งองตั้งใจทําเหล่านี้เหมือนกับเราจัดสรรปันส่วนให้ ที่อยู่กับครูบาอาจารย์สุขภาพท่านแก่เท่าชราเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราดูแลรักษารักษาดิีแล้วท่านมรณภาพลองพวกเราก็จัดการทําบุญอุทิศส่วนกุศลทำ น, นั้นวันทง น, นี้วันแล้วก็แผ่ส่วนบุญทิพส่วนกุศลให้กับท่านแต่สำหรับการตั้งอกตั้งใจภาวนานั้นมันเป็นเรื่องของท่านท่านทำได้มากได้น้อยเป็นเรื่องปัจจัดต่างของท่านท่านจะเจริญสมาธิสงบขั้นไหนระดับไหนท่านจะิ เจรนาธาได้นปัญญาได้ขั้นไหนระดัไหนเป็นเรื่องปัจจัตตามของท่านหากเราทั้งหลายเห็นเห็นวัตถปฏิบัติของท่านเห็นปฏิปทาของท่านมีความเลื่อมใสสถานแล้วก็น้อมนํามาถือตามประพฤตตามปฏิบัติตามาเป็นผลเป็นอ น, นิสงส์สําหรับพวกเรา แล้วก็พวกเราถือว่าประกอบกองการบุญปณ์ครั้งนี้น้อมบูชาบุคคลที่ควรบูชาถือว่าเป็นสริริเป็นมงคลภูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตังมังเราก็เราก็ยังได้เจริญพระปริศให้เกิดการปกป้องคุ้มครองป้องกันจะปกป้องปกุกปกป้องคุ้มครองป้องกันได้อย่างไงในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้แล้วว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ทุกคนไม่มีใครอยู่เทาเดิมเดี <tinc S 1> ๋ต <xi> ้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลนเป็นนู้นเดี๋ยวเป็นนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขหากเราสวดปริตตะมงคลปกป้องคุ้มครองป้องกันหากคนนั้นยังไม่ถึงคา่ายังไม่ถึงที่หมายก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะฝ้าฝืนอนิจจังทุกขังอนัตตาของท่านดอกแต่หากพวกเราถ้ายังไม่ถึงค่าถึงถึงที่หมายจริงๆก็ขอให้เราประสบความสุขขอให้เราทั้งหลายประสบความเจริญนี่คือปริตตะมงคล แล้วก็บทที่อามาสวดนั้นเป็นบทธรรมทั้งนั้นที่พระุทจาาทร ง, สงสแสดงให้รพระสงฆ์ทาบว่าพวกเราก็เอามาสวดไปดูในคำแปลมีธรรมะทั้งนั้นอเสร็จแล้วก็มีการสวดพุดทธาพิเศษอันนี้เป็นภาคพิธีเป็นภาคพิธีพุทธาพิเศษนั้นอาศัยความสําคัญอยู่ที่สมาธิตั้งอกตั้งใจแผ่จิตแจ้เข้าไปในวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นรูปเป็นวัตถุมงคลบางทีก็มีพลังบางทีก็ไม่มีพลังแต่ด้วยเหตุที่พวกเราเคารพนับถือ เป็นรูปวายยาเป็นรูปของพระพุทธรูปเป็นอะไรอะไ ร, พ ว, รพวกเราเราเคารพนับถือนับถือนับถือถึงพุทธังธรรมังสังฆังสระั ง, ง, ง, ง, ง, งพระเามิก็เกิดผลเกิดอา น, นิสงส์พวกเราทัางหลายก็ตั้งออกตั้งใจทำแล้วก็อานิสงส์ของการให้ทานเช่นอย่างพระเวทอางเนี้ยพระเวทมีคติตัวอย่างที่สําคัญนะสำหรับพวกเราอย่างน้อยๆพวกเรามีทานเป็นพืน้นเราไปสู่สุขติสู่สวรรค์ได้ ท่านยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเวทพระเวทสุนทรน่ยมันเป็นพระชาติชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะได้มาอุบัติเป็นพระเวทพระเวทสุนทรเนี่ยมันเป็นมันเป็นชาติที่พระองค์องค์ถวายทานยิ่งด้วยทานยิ่งด้วยทานบารมีเพราะฉะนั้นท่านให้ทานเมื่ไหนมโนให้ช้างให้หมาให้อะไรต่ออะไรเป็นทานด้วยเหตุที่ให้ช้างเป็นทานประชาชนทั้งหลายก็ไปบอกพระเจ้าอพระราชริดาให้ขับออกจากเมืองท่านก็ออกจากเมืองไปนั่งช้างไปก็ให้ช้าง ลงจากช้างไปก็นั่งมา้าเทียมรถไปเทียมรถไปก็เขาก็ไปขอมา้าเลือแทรรถพระอิน์ก็แปลงมาเป็นกวางทองเนะทียมไปเทียมไปมาขออีกขออีกให้ให้คนกาขอไปอีกเลยจูงไปจูงจารีอุ้มกันหาไปอุ้มไปไปสู่เขาบงกฎไปบำเพ็ญ พ, พระพรหมจันย์เป็นฤาษีเป็นดาบบยู่ในป่านี่คือต้นต่อผู้ที่ตั้งใจภาวนาเพื่อได้อาลัยธรรมมา มาบอกมาสอนพวกเราอยู่จนเดียวนี้ไปมาเพนเป็นเป็นพระเวทสันดอนอยู่ในป่านนางมัทสีก็เป็นอุปถัมภุรธาแล้วก็มีบุตริดาชาลีกับกัรหาเนี่ยทีนี้พูดถึงชูชกชูชกเนี่ยกับได้เมียสาวทำไมชูชกกินได้เมียสาวเพราะชูชกเนี่ยเป็นนักขอขอโน่นขอนี้ขอทรัพย์นั่นแหละขอเงินขอทองขอน่นขอนี้ได้ไปแล้วก็ไปฝากไว้กับยายคนมึงอ่ะยายานี่เอาไปใช้หมด เวลาไปทวงเอาคืนไม่ได้มีลูกสาวอลไรยกลูกสาวให้เนี่เป็นเห็นว่าผู้เท่าได้เมียสาวแต่พอได้เมียสาวไปแล้วเมียเมียสาวอมิตราตานี่ดูแลปฏิบัติสามดีดีดีดีมากเลยจนผัวเมียคู่อื่นๆในหมู่บ้านมันอิดฉาวงั้นเถอะเห็นเ <c oughs> มียปฏิบัติตัวเองไม่ดีทั้งทุบทั้งตีทั้งเตะ ท, ทั้งด่าทั้งทอทั้งอะไรตัวอะไรพอเวลาเอาไปออกไปเอาน้ํานัางนาง ไ, ไ, ไ อ, อมิตรตาออกไปเอาน้ํา ไปเจอพวกนั้นพวกนั้นก็เอาน้ํากันเอาน้ําบ่อเหมือนเหมือนบ้านเราด้วยพวกเรามีน้ำประปายใช้อันนั้นเข้าไปตักน้ําบ่อไปไปเจอกันนี่ไปทุบไปตีไปดา่าไปทอกันอย่างนั้นน่ยเพราะเธอนี่แหละเพราะเธอที่โผล่ฉันถึงเตะถึงถิบถึงตี ถ, งตถึงดา่านางมีตตาอาชุช็กกรเลยสงสารเมียเมียสาวไม่อยากให้เมียออกไปอย่างนั้นได้ยินพระเบิดรัตน์เนี่ให้สมบัติเป็นทางกบไปขอชาลีกันหามาให้อุปถัมภ์วัฒนาเมียของตัวเองความหมายเนี่ยไปก็ บอกเออมัมัดซีมาอยู่มัดซีไปป่าไปหาผลละหมรไม้ในป่านะพระเวสสันดรก็ดำบีกว่าโอ้ถ้ามัดซีอยู่คงไม่ให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราให้ตอนที่เธอไม่อยู่นี่แหละเลยให้ชูชกชูชกเขามัดเลยมัดมือมัดดินล่าทั้งล่าทั้งตีทั้งอะไรต่ออะไรนั่นแหละขบะใดที่ยังไม่ได้ไปเทวดาก็ไปกัน้นเอาไว้ไม่ให้มัดซีกลับมาทามันเพราะงั้นเถิดเป็นเสือโคร่งเป็นงูเป็นอะไรต่ออะไรนั่นรเราไปดูรูปเลยนะมีเสือคร่งมัดขวางทาง อย่างน้อยก็ให้ชูชกเนี่ยเอาราดจรวดอ่ะเอาเอาโอรสที่ดาทั้งสองเนี่ยออกไปเสก่อนนะออกไปเสก่อนเพื่อเพื่อบารมีเพื่อบารมีของพระเวสุทธดอเต็มตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วในที่สุดพอชูชกออกไปได้ออกไปได้พวกสัตว์ทั้งหลายที่ขวางน้ำมัติอยู่ก็ปล่อยน้ำมัตีก็เลยกลับไปที่อาสงกลับไปก็ผิดเวลาครั้เมื่อเดือดเดือพระพิสุทธดรก็ขู่ ไปมัวแต่มีความสนุกบันเทิรื่นเริงเพลิดเพลินกับดาบทฤรืสีชีพอไรทไหนมาครับเมื่อเดินผิดเวลาเวลานพูดให้ตกใจให้เสียใจซะกว่าตรงนั้นแถอะแล้วเรียกในขณะเดียวกันก็เรียกหาบทที่ดามรถธีดามก็ไม่เห็นเดินเรียกตนก็เงียบเดินเรียกตัวนี้ก็เงียบเดินเรียกตังไหนก็เงียบสิ้นระยะทางเวลาจะยาวเงี้ยนนี่คือไปเดินเรียกหาลูกไหนสุดก็ได้โอกาสก็เลยเข้าไปในระยะนั้นเขาเปิดแสดงก็นังเ่าหน้าเฉยไม่ได้สนใจอะไรเลย พอได้เวลาก็เข้าไปกล่าวถูเราได้ให้ชุบๆไปแล้วมาโมศนาสาธุการบำเพ็ญบารมีร่วมกันนี่คือคู่บารมีพอพอพระเสด็ บ, บอกความจริงนี้นางมัตซีสาทุ่น้ําตาหเต็มใบหน้าอยู่เลยนะซาทุถอยบารมีของพระอาเต็มที่ขึ้นมาได้อย่างรวด น, นี้คือคู่บารมีทีนี้นึกถึงพระอินทร์พระอินทร์เห็นว่าเอ๊ะลูกก็ให้ไปแล้วยังเหลือมัตซีถ้าให้มัตซีไปอีกใครจะมาดูแลพระองค์เนี่ย พระอิน์ก็เลยแปลงมาเป็นกรางเท่ามาขอมัาซีขอแล้วก็ฝากให้ดูแลพระเวสสันดร อ, อยู่นั้นแหละเพราะหมดสิทธิ์ที่จะให้ใครอีกแล้วเป็นสิทธิ์ของกรางเท่าแล้วแท้จริงคือพระอินทร์พระอินทร์ท่านฉลาดนะนี่ท่านพูดถึงการบำเพ็ญบารมีให้เตียงของพระพุทธเจ้าในชาติที่พระองค์จะได้ม า, าบัตเป็นชาติใกล้ๆเนี่คือพระเวสสันดรพระเวสสันดรท่านให้ช้างให้ม้าให้มาซีชาลีกันหาเป็นทานเนี่ยบางคนก็ตระหนกติดเตียนท่านเพราะฉะนั้นชาวบ้านจึง บอกให้พระอาทิตย์ขับออกจากเมืองนี่ยิ่งไปให้บุตรให้ธิดาด้วยแล้วเนี่ยโอ้ไม่มีเมตตาการุณากั บ, กบภรรยาเลยเนอะเพระเวสันดรเนี่ยเป็นคนใจร้ายอำมหิตจริงๆเนอแต่เราเอาใจของเราไปเทียบใจท่านไม่ได้เอาใจท่านมาใส่ใจเราก็ไม่ได้ท่านใช้อะไรแต่ละอย่างให้ช้าให้ม้ให้ชาลีบัญหาให้มัดสีเป็นทานสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จะไม่เป็นที่รักของเรา จะไม่ใช่ชี่ของเรากพหาไม่แต่พระโพธิยานเรารักยิ่งกว่านี่คือปณิธานของพระองค์คือปณิธานของท่านก็คือพระพุทธเจ้าของเราเตอนเป็นพระเวสสันดรนให้อะไรทุกอย่างต้านความปรารถนาสัมมาสัมโพธิยานคือพระโพธิยานรักยิ่งกว่าไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่รักมัตสีชายรกันหาไม่ใช่ไม่รักรักทั้งหมดแม้แต่ชีวของพระองค์พระองค์รักก็จริงอยู่พระองค์สามารถฉละดฉละชีวิตได้นะ ทานบารมีทานอุปบารมีทานบรมิตบารมีทานบารมีก็คือให้สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้เป็นทานอุปบารมีก็คือให้อวัยวะเป็นทานพระองค์เคยตัดเสียรให้เขาตัดเสียงเพื่อบูชาเพื่อทําทานมาแล้วมากต่อมากเสียงของพระองค์ถ้าจะมากรองเท่ากับภูเขาเซเนตูราเสียงที่ประดับประดา ด, ด้วยเครื่องประดับดีแล้วที่ให้เขาเอาเสียงไป แต่ดมือต่ดตีนแต่ดลายต่ออนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้อวัยวะเป็นทานปัจจุบันนี้เราก็พอจะมองเห็นอยู่ได้บ้างนะสามีภรรยาที่เขาให้อวัยวะเป็นทานไปกันได้ยินว่าสามีภรรยาคู่สามีเนี่ยไตวายวาสองข้างแต่ภรรยาไตาดีทั้งสองข้างนั้นนะภรรยาเลยแบกให้สามีข้างหนึ่งนะเอาไปพ่วงกับไตที่มันเสียไปในทีสุด บา ร, รมีสามีภรรยาคู่นี้ก็เลยได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่ครองนี่คือคู่บา ร, รมีเราพอจะมองเห็นในปัจจุบันแต่คนที่ให้ชีวิตเป็นฐานไม่มีไม่มีตัวอย่างนะให้ชีวิตเป็นฐานไม่มีแต่พระพุทธเจ้ามีสมัยพระองค์เป็นดาวผอยู่ในป่านน่ะเห็นเสือแม่ลูกอ่อนกาลังจะกินลูกมันพระองค์เป็นดํา บ, บนอยู่ในป่าลปลลปดลวับบ ด, ดไม่ให้เสือแม่ลูกอ่อนกินคิดอยู่ในใจว่า อ, อให้สให้เป็นอาหารของเสือซะอย่างนั้นก็ได้ช่วยลูกมันตั้งหลายวัน ความจะกินซาบมันได้ช่วยลูกมันตั้งหลายวันเสือในลูกอ่อนมันคงหิวยังไงมันจะกินลูกมันเห็นกรโดดนักสักกัดกินเลยให้ชีวิตเป็นฐานให้ชีวิตเป็นฐานกับสัตว์เดรัจฉานแม้แต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามโนลงไปแล้วเป็นอาหารของมาันแต่ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหัวใจของผู้เสียสละต้องการให้บารมีเต็มตื้นขึ้นมานใครไม่เคยเสียสละถึงขนาดนี้จะาบารมีอะไรไปสู้กับพระองค์ เรามาดูพบชาติสุดท้ายที่มันเป็นเจ้าชายศรีธะมีคู่แข่งคือประเทวทัฒนประเทศทัฒนเอาอะไรไปแข่งก็แพ้พระองค์หมดเอาอะไรไปแข่งก็แพ้พระองค์หมดพรองไม่ต้องทําอะไรแล้วาบารมีขององค์ปกป้องคุ้มครองประเทศพัฒนไปแอบฆ่ามารู้กี่ครั้งก็เียครั้งฆ่าไม่ได้คนที่จ้างให้ไปฆ่านั่นไปบวชทั้งหมดจ้างให้ไปฆ่าไปบวชทั้งหม ด, ด, หมดในรี่สุดแบบแพ้ใครตัวเองไปแยกสงฆ์แยกสงฆ์ไปแล้วก็สงฆ์ทั้งหลายพระถุภาษาลิบุตรคำบอกอลไรนะเป็นตามเปลับมาคืน ขึ้มาตอนหลังมาต้อเลือกได้แล้เลือกได้ก็สายเสร็จแล้วเพราะตัวเองทํำนันทเรียกรรมไปมารดแ ก, กี่อย่างแล้วพระเทวทัตไหนจะร้องเลือกได้ใครไม่ามาขอเข้ามาพุทธเจา้าโอ้เราทำนั้เราท ำ, า ท, ำท่านไม่เคยอาฆาตมากร้ายกับเราไม่เคยพยาบาทกับเราไม่เคยปองร้ายกับเราไม่เคยมีอะไรกับเราท่านมีเมีตาจริงเนอะตอนนี้เลยมารนึกรลึกผิดแล้วสํานึกผิดแล้วหามพวเราไปเถอะมีลูกศิษย์เหลือไม่กี่คนเลยหามไปไปขอเข้าม า, รมาพระโอวาทอยู่ที่ประเชษตาวันมีพระเทวทัตนะ เป็นคู่กับกันแทงอะไรก็ฟองไม่เคยชนะอะไรสักอย่างไม่เคยชนะอะไรสักอย่างเพราะพระเทวทัตไม่มีบุญแต่พุทธเจ้าท่านเต็มเปี่ยมมาแล้วแ ท, ท้จริงพระเทวทันก็คือเป็นผู้ที่มาทําให้ศีทธรรมเนี่ยทำบา ร, รมีให้เต็มขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะอันนี้คือการสร้างบา ร, รมีของพุทธเจ้าของเราดนะีมีมีความสัมพันธ์มีความเป็นมาอยู่อยนี้โอ้เราพูดถึงอะไรแล้วพูดถึงปรเวศ เราไปดูเถอะมันจะมีเป็นเป็นพันๆคาถานะ่ยแต่และตอนแต่และตอนไปฟังเอาเองก็แล้วกันอ่ะผู้นี้ฟังได้ทั้งวันตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์นแน่นอนเลยลฟังพระเวทให้จบวันหนึ่งเนะไม่ต้องไปไหนนะตั้งใจฟังแค่นั้นแหละตั้งใจฟังแล้วนั่งเภานาะฟังให้หน่าจบทั้งวันนะจบในวันหนึ่งฟังจบในวันหนึ่งนี่คือบุญพระเวทเป็นขนมตามเมียมที่โบราณอาจารย์ท่านมีความสามารถท่านเป็นท่านเป็นปราชญ์ท่านเป็นบัณฑิตอย่างน้อยๆ เอามาเป็นทำเนีย ม, ม, มาเป็นประเพณีให้พวกเราทั้งหลายเสียสลักได้ทําบุญให้เห็นคุณค่าของการให้ทานไม่ใช่เรามาให้ทานอย่างเดียวเรามาตั้งใจรักษาศีลด้วยก็เหมือนอย่างวันนี้เรามีการบวชชีพราหมณ์บวชชีพรามนี่ก็คือถือศีนแปะโอ้ศีนแปะนี่ยิ่งใหญ่นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักซักอาแล้วก็อยู่อย่างพรหมไม่เกี่ยวข้องสามีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันไม่ได้นะถ้าเราถือศีนแปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ ไม่พูดเทศพูดหยาดพูดโสเสียดและไม่ดื่มสุราไม่ไรไม่รับทานอาหารนิยามิการไม่ตกแต่งประดับประดาไม่ร้องรำทำเพลงไม่เข้าไปดูร้องรำทำเพลงและไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เป็นอายัดด้วยนุ่นสรัรีนี่คือยิ่งใหญ่นะสินแปนี้ยิ่งใหญ่มากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าครัวพวกเราจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของดีของเลิศที่สุด รองจึงบัญญัติแค่อุโบสถเจดีคา ร, ราว่ามีส่วนเข้าไปรักษาอุโบสถเจดีมีเราพูดถึงอณิสงของการของการสร้างเจดีเราสร้างเพื่อได้บรรจุสร้างไปเพื่อบรรจุและการสร้างเจดีนี้เราดูอณิสงที่เกิดขึ้นจากนั้นเป็นปูชนียวัตถุให้เราได้กราบได้ไว่าได้ปูชาได้เก็บอัฐธิธาตุของครูบาอาจารย์เป็นศัก์เป็นส่วนเราจะมีความสุขมีความเจริญชื่นใจหน่วยอบหัวใจของเรา ผลอันนี้2อทั้งหลายทั้งปวเหล่านี้ก็คือการตั้งใจให้ทานและก็ตั้งใจรักษาศิ่งถ้าหากเราไม่ตั้งใจเจริญสมาธิเข้าไปอย่างไม่ถึงเจริญสมาธิถ้าไม่เจริญปัญญาให้เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาดโมหมก็ครอบงำจิตใจของเราทําให้เราโง่ติดตังอยู่ในกัตัะสงสารอยู่อย่างไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นพยายามทำบุญให้ครบวงจรอย่าไปย้ำอยู่แต่กระทีอย่าไปให้ทานให้ทานให้ทานก็อยู่แค่นั้นแหละขยับมารักษาศีลบ้างขยับมาเจริญสมาธิบ้าง อยากไม่เจริญปัญญาบ้างให้มันครบวงจรเราจะไม่เสียท่าเสียทีที่เราเกิดมาพบเป็นมนุษย์พบพระพุทธ ศ, ศาสนาซึ่งเป็นโอกาสดีเยี่ยมที่เกิดมาทำาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้าศาสนธรรมของพระองค์ยังเต็มแปรสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่มีผู้นํามีผู้พาธรงมีครูปัญญ า, าเต็มป่าเต็มลงพอเราสนบสนุนใจและตั้งอกตั้งใจถือตามพระพฤติตามปฏิบัติตามเพราะ ร่างกายของเราของท่านไม่มีใครอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป20ปีมาเป็น30ปีมาเป็น40ปีเป็น50ปี60ปี70ปีจะนานเท่าไหร่80ปี90ปีเข้าไปกันแล้วบางคนยังถึงเข้ไปกันแล้วถ้าเราสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติให้เพียบพร้อมในหัวใจของเราเราจะเดินใส่พระยามัจจุราอย่างสงา่าผ่าเผอไม่สะทกอะทานเลยเพราะเราทําเราสร้างความดีไว้มากมายมหาศาลแล้ว เราไม่กลัวต่อประโลมที่เราจะตายยิ่งเราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยแล้วอาหารที่สุดนะไปสู่สุคติได้อย่างแน่นอนหาเราสองชาตสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้โมไปเกิดเป็นพรอมเป็นอรุปพรอมน่งถ้าเจริญวิปัสสนาได้ขั้นใดขั้นหนึ่งห ร, หรือไม่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยถ้าหาเรายังยังไม่หมดในอัตภาพนี้ไปเกิดอียังมา ก, กเก็บชาติหรือไปไปเกิดหนึ่งชาติสองชาติ อย่างมากไม่เกินเก็บชาติคือหมดพราหมดชาติหมดวัฏสงสารหมดเกิดหมดแก่หมดเจ็บหมดตายสิ่งนี้เป็นความทุกข์อยู่นเนือ ง, งที่เรามาจำเจยอยู่ในอคตินกักรรมของเราเราทิ้งข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับศีลกับสมาธิเกี่ยวกับศีลกับทรรของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าเราทิ้งแล้วหลงทางทันทีวัตฏสงสารเราไม่มีจุดจบไม่มีที่จบแน่นอนในโอกาสที่เรามีโอกาสเช่นนี้เราไม่เสียท่าเสียทีตั้งอกตั้งใจอย่าให้พลาดโอกาส ในอัตภาพที่เรามาประสบพเบเห็นอยู่อย่างนี้และสิ่งทั้งนี้แหละจะอํานวยเอ๋ยใช้ให้พรเราทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขประสบความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นอานิสงส์ทั้งหลายที่เราจากเราสร้างเราทํานี้ะจะย้อนสนองให้เรามีความต้องการสมหวังมีความจุกมีความเจริญสมภาคสมภูมิในหัวใจของเราเราทั้งหลายจะได้ประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน ตั้งพระนามา่าจะปะสุนคนเกลาเอวังโอ้ทั้งชั่วโ ม, มงยี่แปดนาทีนะไม่ใช่น้อย น, นี่นะนายพนีนนห้พรน <c oughs> ท้าววิวัฒนาภูราปริปูเรนติสากรังเอวาเมเวโตจินางเปตานังอุปการปฏิอจิตตังปฏิตังตุลหังทิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโธปนระโสยถามนิโชธิรโสยถาศพีติโยวิวัจฉันตุสปโรโควินัสตุมาเตปวตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาฒนาสีลิสนิตจังวุธาปจายโน จตาโรโธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง อ, น โ, น, นะอนโมสนาบุญด้วยนะอนโมศนาบุญด้วยทุกท่านทุกตอน